เฉลยพรทุกท่านที่นี่น่ารักมากเลยถึงปุ๊บให้เทศเลยนะไม่ต้องรอเวลาบางที่นะก็ต้องให้พระรอไปก่อนนี่มานั่งรอพระน่ารักดีเวลาที่หลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะตะเกียกตะไกลอยากได้ธรรมะอยากปฏิบัติไม่รู้วิธีพยายามไปหาท่านบางองค์ก็อยู่ไกล นั่งรถไปทั้งคืนยังไม่ถึงนะไปต่อรถสองแถวเนยรถปิกอัพที่ไปเดินต่อก็มีบางองค์อยู่ไกลามากเลยทันทีถามเส้นทางกับครูบาอาจารย์ไว้วัดไปวัดนี้ไปยังไงไงท่านก็บอกนะ่าใกล้ๆตรงเนี้ยอยนี้เข้าไปทางเนี้ยนิดเดียวแหละอุ้ยเราเดินสักพ่อนวันนะครึ่งพ่อนวันกลับมาไปต่อว่าท <aux> ่าน <starter> เอา้าพราะว่าคึ ว, ว่าใกล้นะเอขึ้นรถอาตมาก็ทาสมาธิ ลืมตาขึ้นก็ถึงแล้วโอ้านั่งไปนานเท่าไหร่ก็มไม่รู้นะนักกว่าจะได้ธรรมะ ม, มาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆครูบาอาจารย์แต่ก่อนอยู่ไกลเดือนนี้หาง่ายครูบาอาจารย์เปิดอินเทอร์เน็ตก็เจอละพวกเราก็เลยสบายความนขนไหวยไม่ต้องมากนี่มันจะกลายเป็นนิสัยก็ไม่ดีเหมือนกันนะอย่างไม่ดิ้นรนขนขหวยขยันปฏิบัติภาวนาบ้างขี้เกียจบ้าง ตัวนี้เองเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนมากๆเลยคือส่วนใหญ่ที่เขาภาวนากันไม่สําเร็จนีเพราะเขาไม่รู้วิธีนี่ข้อที่หนึ่งพวกเรานะ่ยรู้วิธีแต่ขี้เกียจบนะ้งส่วนหนึ่งเนะี่ยทบ้างหยุดบ้างทําบ้างหยุดบ้างมันไม่ต่อเนื่องอีกพวกหนึ่งก็คือสมาธิไม่พออย่านึกว่าการภาวนาเนี่ยไม่ต้องใช้สมาธินะต้องต้องฝึกสมาธิให้ถูกด้วยถ้าเราฝึกสมาธิผิดประเภทเนะี่ยมันภาวนามไม่ได้จริงหรอก มันว่สมาธิประเภทมิจฉาสมาธิเนี่ยเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะทามิจฉาสมาธิทุกวันนี้ก็ยังมีแต่เริ่มดีขึ้นบ้างแล้วยังเมื่อวานที่วัดเน่ยคนมาส่งกันบ้านหน้าตาใหม่ๆ ม, มาหลายคนเลยเคยฝึกมิจฉาสมาธิมาทั้งนั้นเลยพวกนี้เรียนยากมันจะนิ่งรู้สึกตัวทั้งวันเลยตากวางๆนิดนึงนะ โอ๊ยเราเห็นเราสยดสยองนะแก้ให้มันดีไม่ดีมันลุกขึ้นตบเอามันไม่ใช่ง่ายนะเวลาติดสมาธิผิดผิดมาหรือทำกรรมฐานผิดมาจนเพี้ยนเพียนมาเนี่ยแก้ยากไม่ใช่เรื่องง่ายเล ย, ยงั้นจุดสำคัญนะก่อนจะภาวนาเน่เรียนให้รู้เรื่องสกอ น, น์มีศรัทธาอยากภาวนาแต่ว่ามันไม่มีปัญญาอะไรไม่รู้วิธีปฏิบัติมันมั่วแยกไม่ออกนะแยกไม่ออกว่า วิธีปฏิบัติที่ถูกกับที่ผิดมันแตกต่างกันยังไงยังมีอะไรคนเลยมาส่งกันบ้านหลวงพ่อนะี่เรียนจากที่นี่สอนเหมือนหลวงพ่อเปียบเลยบอกภาษาเหมือนกันอ่ะภาษาพระที่ไหนก็สอนเหมือนกันทั้งนั้นแหละนะสอนสมถาวิปัสสนาสอนสติปัฏฐานยพูดเรื่องใจรักเลยใครๆเขาพูดเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ามันเหมือนกันโดยวาทะเท่านั้นเองะสภาวะมันไม่เหมือน ยิงจุดสําคัญเลยเนี่ยต้องภาวนาให้ถูกเรื่องถูกราแล้วก็ภาวนาพอรู้หลักที่แท้จริงแล้วนะใจไม่สุดตรงไปสองข้างแล้วเข้าสู่ทางสายกลางแล้วเนี่ยต้องทําให้มากทําให้เจริญไม่ใช่ทำทำหยุดหยุดนะเหมือนพายเรือทวนน้ําพายแล้วก็หยุดพายแล้วก็หยุดไม่ได้ไปไหนก็วนอยู่ที่เดิมสุดท้ายก็หมดแรงเหมือนพระนะพระบางที่บวชนานๆนะบวชใหม่ๆก็ขยันนะขยันภาวนาภาวนาไปเรื่อยๆ สุดท้ายหมดแรงพอระหว่างภาวนาก็หยุดทำโน้นทํานี้บ้างเดี๋ยวก็ขยันใหม่นะทําำหยุดหยุดพอพรรษาเยอะๆนะก็ปล่อยวางนะปล่อยวางไม่ต้องทําอะไรแนละ้วเขาเนี้ย <c oughs> หมดเรี่ยงหมดแรงแลนะไปไม่รอดแ้่พวกเรายังมีแรงฮึดอยู่นะฮึดไว้นะภาวนาอย่าหยุดอย่าหยุดแต่ต้องถูกหลักถ้าภาวนาผิดแล้วฮึดเนี่ยนะน่ากลัวมากเลยที่พวกเพี้ยนเพียนนะอะภาวนาไม่เป็นแล้วมันฮึดจะทําให้ได้จะทําให้ได้ จะบอกความลับให้อันหนึ่งทำยังไงก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะทำยังไงนะนีนักปฏิบัติเราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็คิดจะทำยังไงจะทำยังไงจะมีวิธีปฏิบัติยังไงให้จิตมันดีให้จิตมันสุขให้จิตมันสงบให้จิตมันฉลาดคิดแต่จะเอาอ่ะคิจะเอาจะเอาอะไรเอาผลเอาผลนี่เรียกโลภนะไม่ใช่ฉันทะฉันทะเนี่ยเรามีความสุขเรามีความฟึงนพอใจที่จะทาเหตุที่ถูกต้อง แล้วก็ขยันทำพอมีฉันทนะละวิริยะมันเกิดอย่างหลวงพ่อนะเมืันก็คงทําผิดมาเยอะนะแต่ว่าชา่านเนี้ยมันเลยเจอครูบาอาจารย์ที่ดีๆตั้งแต่เด็กๆเอ๋ตอนเด็กๆ ก, ก, ก็เจอท่านพ่อรีมารโสกรามท่านสอนสมถะกรรมฐานให้ตอนนั้นไม่รู้จักสมถะไม่รู้จักวิปัสสนาอะไรหรอกนะท่านบอกให้หัดไปพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับหนึ่งหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับสองทำไปเรื่อยๆนะไม่ได้หวังผลนะ แต่ใจนัมันชอบที่จะปฏิบัติมันพอใจที่ได้ปฏิบัติทุกวันก็มานั่งหายใจมีเวลาเข้าหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปเรื่อยๆทําแบบไม่ได้หวังผลอะไรเพอะเราทําแบบไม่ได้หวังผลอะไรมันจะได้ผลเร็วตอนเด็กๆไม่นานทําให้กี่วันหรอกหายใจไปหายใจไปนะพุทโทหายเหลือแต่หายใจหายใจอทีแรกตัวเลขหายก่อนนะเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโธไม่มีนับตัวเลข ภาวาไปเรื่อยๆนะพุโทโธหายไปอีกเหลือแต่ลมหายใจหายไปหมดนะสุดท้ายลมหายใจหายไปอีกกลายเป็นแสงพอเป็นแสงแล้วคราว น, นี้ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงห่างไกลครูบาอาจารย์เราเด็กเล็กๆอะเจ็ดขวบเองจะไปหาครูบาอาจารย์ก็ไม่มีปัญญาหรอกท่านอยู่ปากน้ำนะอยู่อยู่บางปิ้งเลยทางโน้ น, นวัดอโศการามเด็กๆไม่มีปัญญาจะไปหรอก เอาใจมันสว่างขึ้นมา้ใจมันตามแสงออกไปข้างนอกเนี่ยธรรมชาติของจิตมันชอบส่งออกนอกมันสว่างดีมันดูอยากรู้อยากเห็นอยากดูอะไรนะมันสว่างมันฉายแสงออกไปไปเห็นสวรรค์เห็นอะไรแต่นรลกนี่นะไม่เฉียดเลยเมื่อกลัวผีลืมไปอย่างนะว่าเทวดาก็โอปปปาติกะเหมือนกันแต่ว่าได้ยินชื่อวเทวดาก็น่าเจอใช่ไหมใครภาวนาอยากเจอเทวดาบ้างทําตัวเองให้เป็นเทวดา มีฮิริวตปาไว้จะมีเป็นเทวดาด้วยตัวเองนะ mm hmm. ได้เจอแน่ๆเลยส่วนเทวดาข้างนอกะถ้าไม่มีบุพกรรมร่วมกันเขาไม่ให้มาให้เจอหรอกอยู่ๆจะมาเที่ยวร่อนๆมาไม่มีหรอกอย่างเราจะไปเชิญเทวดามาเฝ้าหน้าบ้านนะมาตั้งศาลตั้งอะไรไม่มาหรอกเรื่องอะไรเขาจะมาเขาอยู่บ้านเขาสบายกว่ายกเว้นว่ามีบุพกรรมร่วมกันมาอะไรนะเมตตาเป็นพิเศษเป็นลูกหลานเหลนอะไรอย่างเงี้ อาจจะส่งพลังมาช่วยเขาก็อยู่ข้างบนแหละเขาก็จำเรืงลงมาก็มองเห็นอยู่เนี่ยตอนเด็กๆนะั่งภาวนาเนี่ยมันเข้าร่องของมันเองนะเข้าร่องของสมาธินะแต่ว่ามันพลาดมันพลาดเพราะว่าไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้แทนที่จิตจะภาวนานแล้วได้สมาธิชนิดที่เอาไว้เดินปัญญาเนี่ยไม่เป็นจิมไหลออกข้างนอกไปไปสว่างว่างข้างนอกนะบางทีก็ว่างไปบางทีก็ออกรู้ออกเห็นอะไรไป เนีฝึกเป็นอย่างนี้เล่นอยู่ช่วงหนึ่งนะมันเกิดเฉลียวใจอันนี้ต้องคุยบวดหน่อยนะว่าเป็นบุญนะแสดงว่ามีบุญบา ร, รมีนะถ้าไม่มีก็หลงไปเลยเขาเนี้ยไม่มีใครแก้ให้ดีไม่ดีเพี้ยนไปเลยไม่เกิดเฉลียวใจขึ้นมาว่าออกไปเห็นเทวดาเห็นเขามีของกินนะ ก, กินกับเขาไม่ได้เขามีบ้านสวยๆอยู่กับเขาก็ไม่ได้นะเขามีทุ่งดอกไม้เทวดานี่แปลกอย่างหนึ่งปลูกดอกไม้นะปลูกแปลงใหญ่ๆนะใหญ่มหาศารเลย ปลูกเหมือนกันหมดเลยทั้งแปลงเลยไม่รู้จักปลูกพระกันนะไอ้สีแดงก็แดงเถื่ออยู่งั้นนะ่ะนะอย่าเอาสู่ลูกลูกตาเวลาเดินดูก็ไม่ได้เดินจริงหรอกนะลอยๆไปดูแล้วปลูกดอกไม้ใกล้ๆเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรไฮโดรไม่มีดินหรอกเราปลูกดูไปดูไปเนะมันได้ประโยชน์อะไรไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยนะแล้วถ้าเกิดฟลุกไปเจอผีเราจะทำไงกัวผี ตั้งแต่นั้นเลยทำสมาธิใหม่เวนะลาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งนับสองอะไรพอพอใจสงบค่อยๆลดลดลดลงมานะการนับหายไปพุทธหายไปนะลมหายใจหายไปเป็นแสงพอแสงเนี่ยพอใจจะเคลื่อนใจจะเคลื่อนออกรู้ทันเลยไม่เอาไม่เคลื่อนกลับมาหายใจแงแรงอีกมาหายใจมาปลุกความรู้สึกตัวให้มันให้มันเด่นขึ้นมานะไม่ยอมให้ไหล นี่นเป็นหลักของการปฏิบัติอย่างหนึ่งนะที่ให้จิตใจมันตั้งมั่นขึ้นมาไม่ให้จิตไหลพอจิตจะไหลรู้ทันรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ได้มุ่งที่ความสงบถ้ามุ่งที่ความสงบนะ่จะปล่อยให้มันไหลไปเรนะื่อยๆบางทีลงไปพักวูบลงไปสบายแต่แถ้าเรามุ่งที่จะรู้สึกตัวตอนนั้นกลัวว่าจะขาดความรู้สึกตัวแล้วไปเจอผีนะหายใจพอจะเคริบเนี่ยหลวงพ่อจะหายใจแรงขึ้นนิดนึง จะเพิ่มสติขึ้นไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ภาษานะแต่ที่จริงก็คือไม่ปล่อยให้สมาธิล้ำหน้าสติไปถ้าสมาธิล้ำหน้าสติใช่ไหมมันจะขาดสตินะต้องเห็นโน้นเห็นนี้อะไรไปสมาธิเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่ต่างกับสติและปัญญาสติปัญญาเนี่ยเกิดจากจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นสมาธิเกิดจากจิตที่เป็นกุศลก็ได้อากุศลก็ได้นะเฉะนั้นสมาธิเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยต้องระมัดระวังให้ดีนะ ส่วนใหญ่ที่นั่งนั่งเคลิ่มเคล่มแฟขาสติแฟพอออกมาก็ตาลอยลอยออกมานะเนี่ยทำให้ดูตามเป็นนะมีหลายแบบนะนี่ความสามารถเฉพาะตัวนะห้ามเรียนแบบนะมันมั่วซั่วไปหมดนะบางทีก็เครียดออกมาเลยตากวางออกมาเลยนะมองหมานะหมาหางจุกก้นเลย หลวงพ่อเคยภูมิใจแล้ว ท, ทําสมาธิออกมาแล้วหมามาเห่าข้างบ้านน้ํามองวันทีเดียวตกใจนะผมกขนาดหม้ายังกลัวเลยเก <laughs> ่งซะขนาดนะเพื่อนต่อไปก็เลยฝึกสมาธิชนิดที่ไม่ให้ขาดสตินะพอสติอ่อนก็เร้าสติขึ้นมารู้สึกให้ชัดขึ้นหน่อยนะรู้สึกรู้สึกสุดท้ายเนี่ยได้พอจิตรวมลงไปนะร่างกายก็หายไปนะร่างกายก็ไม่มี จิตรวมลงไปเหลือแต่จิตอันเดียวไม่ขาดสตนะิถ้ารวมแล้วขาดสติหรือหลับไปเลยนั้นใช้ไม่ได้นะนี่พอรวมลงไปปุ๊บจนกทั่งร่างกายก็ไม่มีแล้วอะไรก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าความรู้สึกตัวยังอยู่มันรู้สึกอยู่ที่จิตพอมันออกจากสมาธิมาเนี่ยออกจากสมาธิมามันมีร่างกายเกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นเนี่ยนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอัตโนมัติเลยจิตากับกายเนี่ยแยกขาดออกจากกันเลย นะเพราะอะรเพราะมันรู้แล้วว่าจิตกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกันนะจิตก็อันหนึ่งนะร่างกายก็อันนึงนะไม่รู้เรื่องเล ย, ยว่าว่าเนี่ยคือการแยกขันนะไม่รู้หรอกว่าเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาคลํามๆไปอย่างนั้นนะ่ะอาศัยว่ากลัวผีไม่กล้าขาดสติกนะลัวเคลิม้มเมอมีสติใจสงบลงไปปุบ๊บมันไม่มีร่างกายพอกลับมามีร่างกายเนี่ยเมื่อกี้มีแต่จิตตอนนี้มีกายกายกับจิตเนี่ยคนละอันกัน งั้นจิตหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมนะตั้งแต่เด็กเป็นผู้รู้อยู่มันตั้งมั่นตัวรู้มันจะแข็งเข้มแข็งไม่ใช่แข็งกระด้าง น, นะมันเข้มแข็งใจไหลไหลไหลไปแป๊บเดียวจะรู้สึกตัวขึ้นจะกลับเข้ามาตั้งมั่นขึ้นมาหลวงปู่สิมเจอหลวงพ่อท่านเลเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เป็นฉายานะาผู้รู้ผู้รู้เพราะท่านไม่รู้จักชื่อแต่บางองค์ท่านรู้จักชื่อนะอาศจัรย์เนี่ยจานทร์บุญจันทร์อยู่ทํามผาพึ่งจนะสิ้นไปแล้ว ไ ม, ไม่แม่แน่เคยรู้จักอะไรท่านนะท่านรู้จักชื่อด้วยท่านเคยสั่งลูกศิษย์นะลูกศิษย์ทางนี้เนี่ยนะนะบอกว่าปีนี้ปีนี้เดือนนี้นะให้ไปหาพระชื่อนี้ชื่อนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะเราสั่งเราทึ่งเลยสั่งก่อนท่านมรณภาพตอนก่อนหนวพ่อบวชเนี่ยยังไปเผาศพท่านเลยท่านสั่งล่วงหน้าไว้นานเลยหลายปีอันนั้นเป็นความสามารถเฉพาะตัวของท่านนะ แต่ไม่ใช่จุดสำคัญหรอกจุดสำคัญคือฝึกสติให้ดีอย่าให้ขาดสตินี่พอใจมันตั้งมั่นเป็นปูรุแล้วเนี่ยเดินปัญญาต่อไม่เป็นใจมันเด่นดวงอยู่อย่างนั้นะไม่รู้จะทำยังไงต่อไปอ่านหนังสือดูนี่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้พุโทโธแล้วพิจารณากายลองพิจารณากายดูบ้างสิเผื่อจะดีนี่แหละเป็นมิปัสสนาแ้ะมังคิดพิจารณากาย กคิดเลยนะนึกถึงผมเลยตอนนั้นผมยาวนะไม่ใช่เลี้ยงเลียงอย่างตอนนี้หรอกดูผมะมาดูลงไปปุ๊บสติแตะปุ๊บเนะสมาธิมันแรงอนะผมหายไปทันทีเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะต่อนะหนังศีรษะก็เปิดออกไปเลยเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกแนละ้วหัวขาดไปเลยะเนื้อแต่ตัวนะดูตัวอีกเนื้อหายไปหมดเหลือกร ะ, ะดูกดนะูกระดูกแะกระดูกระเบิด กระดูกระเบิดเปรี้ยออกไปกลายเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเมใสๆกระจายเต็มพื้นเลยไม่เลิกนะดูต่อไปอีกนะมันกลายเป็นคลื่นเป็นแสงเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในรู้ใน<ม>วัตถุทั้งหลายเนี่ยถ้าเราแยกเข้าไปให้เต็มที่นะมันกลายเป็นแสงเป็นพลังงานเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ใช่วัตถุที่แท้จริงหรอกแต่ว่าพอดูกายจนกายมันหมดไปนะมันก็กลับมาเป็นจิตผู้รู้อีกแล้วแล้วไปไหนอะ่ะดูกายเสร็จแล้วมันก็กลับมาเป็นจิตผู้รู้อีกแล้ว นี่เราวิปัสสนามอยู่ที่ไหนวะการคิดพิจารณากายนะใช้เวลาแป๊บเดียวนะกายระเบิดไปหมดละเพราะว่าสมาธิมันแรงถ้าสมาธิแรงนะพราร่างกายไม่มีก็กลับมาเป็นผู้รู้อีกแล้วไปต่อไม่ได้นะไม่มีทางจะไปต่อเลยไม่รู้จะไปยังไงนะคราวนี้จนฝึกอยู่อย่างเนี้ย2ีปีไม่เจอหลวงปู่ดุลจนจะเจอหลวงปู่ดุลเนะก่อนจะเจอท่านอะ นึกในใจว่าเมื่อไหรเราจะมีครูบาอาจารย์สอนเราสักทีนะกลางคืนนะนั่งสมาธิไปนั่งไปแล้วมันก็มีนิมิตว่าเห็นพระแก่ๆองค์หนึ่งมาหานะท่านผอมๆแก่ๆตัวนิดเดียวเราผ ล, ลไม้มายื่นให้ลูกหนึ่งสนใจมากเรื่องนี้ไม่เล่าละนะ <laughs> <laughs> ชอบของ สาระน้อยร้วงความก็คือสุดท้ายก็ไปหาท่านเห็นไหมหักมุมให้เจ็บช้ำ <laughs> อยากฟังบางคนยังทำใจไม่ได้เลย <laughs> <laughs> ความอยากลดละเล่าได้ทะ <laughs> า้เอาผลไม้มาให้ลูกหนึ่งท่านก็บอกว่าผลไม้มันจะเปรี้ยวหรือมันจะหวานเนี่ยนะมันเกิดจาก เนื้อในของมันเกิดจัดตัวของมันนะคนเราเนี่ยจะดีหรือจะไม่ดีเลยอยู่ที่จิตเงี้ยให้เรียนรู้จิตตัวเองสอนสันพเพเหตุเนี่ยเสร็จแล้วก็ใจออกมาท่านหายไปแล้วก็ไม่รู้จักว่าพระทีท่ไหนนะเมื่อวันหนึงที่ไปเจอท่านโอ้ยองค์นี้แหละไปเจอท่านท่านก็สอนให้ดูจิตตัวเองพอท่านสอนให้ดูจิตตัวเองเนี่ยหลวงพ่อลืมการปฏิบัติที่ทํำตั้งแต่เด็กๆ เ, เ, เลยเออาก็นั่งสมาธินะ ท่านให้ดูจิตตัวเองนะีมันเกิดฉันทะที่จะดูมันสนุกที่จะดูมันรู้สึกว่าทําไมเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องจิตของเราเองเนะีเรารู้อะไรต่ออะไรนะรู้ไปเยอะแยะเลยแต่ทำไมเราไม่รู้จักตัวเองนะจิตใจเนี่ยมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราอย่างเหนียวแน่นที่สุดเลยรู้สึกไหมในนี้มีเราคนหนึ่งนะเราคนนี้ก็เราตอนเด็กเด็กก็คนเดิมรู้สึกไหมตายไปก็าคิดว่าไอ้เราคนนี้ยังไปเกิดอีกเนะนี่ยเราทําไมเราไม่เคย รู้จักมันพอท่านบอกให้ดูจิตดูใจนะพอดูเป็ดนะเห็นจิตมันเกิดดับมันทำงานของมันได้ทั้งวันทั้งคืนนจิตเนี่ยยังขึ้นจากผวังมาอย่าเวลามันอยู่ในผวังเนี่ยมันไม่รับรู้อะไรมันไปรู้อารมณ์ในอดีตแล้วแต่ว่าอะไรจะผุดผุดขึ้นมาก็รู้ไปนะทีก็มันเคลื่อนขึ้นจากผวังเนี่ยอย่างเวลาเราหลับลึกๆนึ ก, ก, กออกไม่เคยหลับลึกๆไหมแล้วมันมีเสียงอะไรดังขึ้นมาแปลกแปก ตอนนั้นอ่ะตอนที่จิตมันเริ่มไหวตัวขึ้นมาจัดระวังเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่ามันตื่นเพราะมันได้ยินเสียงนะีมันคล้ายๆมันถูกปลุกขึ้นมาพอมันเคลื่อนขึ้นมาปุ๊บนะมันมีจิตดวงหนึ่งเนี่ยเป็นตัวตัดสินว่ามีอารมณ์มากระทบทางทวารใดนะทางตาหูจมูกลิ้นหรือทางกายหรือทางใจนะว่ามีตัวมาตัดสินปุ๊บเนี่ยมันคล้ายๆมันจะเปิดประตูนั้นนะ มันย่งมันรู้สึกขึ้นทางหูเลยนะได้ยินเสียงขณะที่ได้ยินเสียงเนี่ยไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะขณะที่พวกเราได้ยินหลวงพ่อพูดเนี่ยไม่รู้ว่าหลวงพ่อพูดอะไรนะได้ยินแต่เสียงหลวงพ่อเฉยๆสังเกตไหมที่รู้เนี่ยเพราะต้องมาพิจารณาตามมาคิดตามใช่ไหมถึงจะเกิดรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในขณะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เฉยๆเนี่ย มันกระทบสักว่ากระทบมันไม่รู้ว่าคืออะไรนะตรงนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรนะหมาก็เป็นนะเออไม่ใช่ว่าโอ้ยอย่างนี้สักว่ารู้ว่าเห็นแล้วจะเป็นพระอรหรันต์เปล่าหมาก็เป็นแบบเดียวกันนะแมวก็เป็นแบบเดียวกันละขณะจิตที่มองเห็นนะไม่รู้ว่าเห็นอะไรหรอกนะมันจะมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนะส่งสัญญาณแล้วมีการแปลสัญญาเข้ามาแปลว่านี้คือนนี้อันนี้คือนี้พอแปลเสร็จแล้วนั้นก็เกิดการตัดสินใจขึ้นมา ว่าอันเนี้ยชอบหรืออันนี้ไม่ชอบนะจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์เกิดดีหรือเกิดชั่วเราเลือกไม่ได้จิตเป็นคนเลือกของจิตเองพอเกิดสภาวะขึ้นมาแล้วคราวนี้จิตมันเข้าไปจับอารมณ์เข้าไปเสพอารมณ์นั้นมันมีสุขมันเข้าไปเราสุขมีทุกข์มันเป็นเราทุกข์นะมีเวลาดีมันก็เป็นเราดีเวลาโลภโกรธหลงมันเป็นเราโลภโกรธหลงขึ้นมาจิตมันเข้าไปจับเข้าไปคลุกอารมณ์เนี่ยค่อยๆดูเอ๊ะดูไปดูไปนะจิตมันปล่อยอารมณ์ จิตมันปลายอามณนะมันคล้ายๆมันรวมตัวอยู่นิดหนึ่งตรงนี้มันเซฟข้อมูลนะมันคล้ายๆเราชัดดาวคอมพิวเตอร์มันจะเก็บข้อมูลนะเซฟเก็บลงไปเก็บลงไปที่ไหนเก็บลงไปในผวังขจิตอีกนะเก็บกลับเข้าไปสะสมเอาไว้ดังั้นตอนที่เราจิตมันขึ้นวิถีขึ้นมาเนี่ยมันมาทําความดีมันก็เก็บวิบากที่ดีสะสมไว้มาทําความชั่วมันก็เก็บวิบากชั่วสะสมไว้ ถึงเวลาที่พอหมอพอควรนะมันจะกลับขึ้นมาทำงานใหม่นะไอ้ตัวเก่าเนี่ยไ อ, อ้ที่สะสมไปจะส่งผลออกมาอย่างจิตคุ้นเคยกับความชั่วแล้วเนี่ยจิตจะมีเจตจำนงไปในทางชั่วเวลาตายเนี่ยมันจะส่งทอดพลังงานของจิตออกไปเกิดจิตดวงใหม่ขึ้นมาในภพใหม่นะมันจะรับเอาสันดานชั่วๆไปนะหรือมันจะรับเอาวิบากที่ไม่ดีไปแต่ถ้าวิบากที่ดีมันทางานนะจิตมันมุ่งไปทางที่ดี แล้ไปในพบใหม่มันก็จะดีขึ้นนะเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆเรียนแต่ที่พูดเนี่ยดูเป็นปีๆนะเมาเล่าให้ฟังย่อๆหรอกนะเนี่ยเห็นสารพัดจะเห็นเลยเห็นเลยจิตมันขึ้นมาได้เนะี่ยตาหูจมูกเล่นกลนกะากระทบอารมณนะ์ไม่มีสุขไม่มีทุกขนะ์เป็นอุเบกขาล้วนๆเลยขนาที่ตามองเห็นเนี่ยจิตเป็นอุเบกขาทุกคนเลยนะทุกดวงเลย ในขณะที่หูได้ยินเสียงจิตก็เป็นหูเบกผาไม่มีสุขมีทุกข์หรอกในขณะที่จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนะก็ไม่มีสุขมีทุกข์นะแต่ถ้าตอนที่กายกระทบสัมผัสเนี่ยมีสุขมีทุกข์ที่กายนะแต่ใจก็ยังไม่ได้สุขได้ทุกข์ด้วยมันค่อยส่งทอดเข้ามาที่ใจค่อยสุขค่อยทุกข์ทีหลังเมี่ยค่อยเรียนนะโอ้ทำไมมันสนุกอย่างนี้นาะของไม่เคยเห็นได้เห็นของไม่เคยรู้ได้รู้ของไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจ เห็นกระบวนการที่จิตทํางานปรุงแต่งขึ้นมานะจนกระทั่งเข้าไปยึดอารมณ์นะเข้าไปยึดอารมณนะ์แล้วไม่พอนะมันไปยึดเอารูปเอานามมาเป็นตัวเราด้วยเคยได้ยินคําว่าชาติไหมชาติชาติคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยถ้านิยามนะมันได้มาอย่างไงมันไปหยิบไปช่วยเอามานะไปหยิบตะครุบเอามาว่าเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาตัวร้ายที่สุดเลยคือมันไปหยิบเอาจิตขึ้นมา นะพวกเราแต่ละคนเนี่ยยังปล่อยวางจิตไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาตลอดเวลาที่เป็นอยู่อย่างนี้นะถ้าจิตขึ้นจากาวังมานะจะไปหยิบฉวยจิตขึ้นมานี่แหละเรานี่แหละเรานะถ้าภาวนาไปเรื่อยนะจนทั้งวันหนึ่งเห็นความจริงจิตก็ไม่ใช่เรานะแต่ก็ยังหยิบฉวยอยู่ความเห็นว่าไม่ใช่เรานะเป็นความเห็นถูกนะละสักกายทิฏฐิได้เป็นโซดา บ, บัได้นะแต่ความยึดถือยังอยู่ เพราะนขนาดพระโสดาบันขนาดพระสกิทาคาพระอนาคาเนี่ยยังยึดถือจิตอยู่เพราะว่ายังไม่แจ่มแจ้งในจิตถ้าแจ่มแจ้งในจิตที่รู้ว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ถ้ารู้ว่าจิตเป็นตัวทุกข์นะเรียกว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์แจ่มแจ้งพวกเราไม่รู้จักทุกข์สิ่งที่พวกเรารู้จักเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยพวกเรารู้จักอย่างร่างกายปวดร่างกายเมื่อร่างกายเจ็บป่วยรู้จักใช่ไหม ใจิตใจกลุ้มใจนะมีความทุกข์ทางใจรู้จักแต่เราไม่เคยเห็นทุกขสัจจะทุกขสัจจะเนี่ยรู ป, ปรธรรมนี้คือทุกขสัจจนะนามรธรรมนี้คือทุกขสัจจะเป็นตัวทุกมันทุกอยู่โดยตัวของมันเองแล้วไม่ใช่ต้องรอให้มีความรู้สึกทุกขแทรกเข้ามานะนึกมันประนีตนะธรรมะของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งเหลือเกินอาศัยเนี่ยค่อยเรียนค่อยรู้ไปตอนที่หลวงพ่อค่อยหัดรู้มาเรื่อยๆนะมันรู้สึกสนุก สนุกมากเลยเราไม่เคยเห็ น, นก็ได้เห็นไม่เคยรู้ได้รู้ไม่เข้าใจได้เข้าใจทุกวันเนี้ยขยันภาวนามากเลยเพราะอะไรเพราะมันสนุกที่ได้เรียนรู้เรียกว่ามีฉันทะใช่ไหมขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องมรรคผลนิพพานอะไรเลยไม่ได้อยากนะถ้ายพวกเราภาวนานเนี่ยเราก็อยากได้ผลใช่ไหมอยากเป็นพระโสดาใครอยากเป็นโสดาบ้างมีไหม มีอยู่บางคนไม่อยากเป็นเพราะคิดว่าเป็นสักคาขาแล้วนะ <laughs> ไม่อยากเป็นโสดา <laughs> ไม่เป็นง่ายหรอกต้องอดทนมากนะเรียนแล้วเรียนอีกเราจิตใจเรามันสึมซับความหลงผิดเอาไว้เยอะเราพามันมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกาใจ กว่ามันจะยอมรับความจริงนะขับไล่ความหลงผิดออกไปต้องใช้เวลานะกว่าพวกเราจะพัฒนามาถึงจุดนี้นะเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นนะต้องอดทนนะกเก่งชั่วคราวไม่ได้เรื่องหรอกต้องนทนทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกอย่าหวังผลอย่าที่หลวงพ่อภาวนานะมันมีฉันทะมันไม่ใช่โลภะมันลืมไปแล้วคําว่ามรรคผลนิพพานอะไรนะมันแค่สนุกที่ได้เห็นจิตใจมันทํางาน พอมันสนุกมันมีชันท h มันมีความพอใจวิริยะก็เกิดเองก็เกิดขยันดูใช่ไหมเพราะมันชอบดูน่ะชอบดูมันก็ขยันดูสิใช่ไหมอย่างพวกเราถ้าอ่านหนังสือที่ชอบสักเล่มหนึ่งเราก็ขยันดูอ่านบ่อยนะบางเล่มนิยายบางเล่มอ่านตั้งหลายรอบใครเคยเป็นไหมบางคนซื้อนิยายมาเล่มหนึ่งอ่านแล้วอ่านเองทําไมทําไมอ่านบ่อยจะได้คุ้มไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ชันท h นะอย่างนี้โลภะงกนะ แต่บางคนมันชอบอ่ะเรื่องนี้ชอบอ่ะชอบนะอ่านแล้ว อ, อ่านอีกมันมีความสุขที่ได้อ่านมันอยู่ตรงที่ว่ามีความสุขที่ได้ทํามีความสุขที่ได้รู้กายรู้ ใ, ใจได้รู้รูปนามตามความเป็นจริงะมันมีความสุขมันมีความพอใจขึ้นมันวิริยะจะเกิดเองเมื่อวิริยะจะเกิดขึ้นขยันภาวนาเนี่ยจิตใจจะจดจ่อกับการภาวนาคนมาชวนให้วอกแวกไปที่อื่นไม่อยากไปยุ่งอ่ะไม่อยากยุ่งกับคนอื่นเราไม่อยากทําอะไรหรอ อยากจะเรียนรู้ไการู้ใจของตัวเองเนี่ยจิตต์จิตใ จ, จมันจดจ่อแล้วว่าสภาวะอะไรเกิดนะจิตมันจะค้นคว้าพิจรารณาทบทวนไปทบทวนมานะเช่นสภาวะอย่างนี้ผุดขึ้นมาเนี่ยไอ้สภาวะอย่างนี้ไม่เคยเห็นสภาวะทั้งหลายเนี่ยมีทั้งหมดไม่มากหรอกนะมี7จ็ตัวเท่านั้นเองนะตัวหนึ่งคือพนันธุ์ผ่านพวกเราไม่เห็นอนะตัวนี้ไม่โปรอมาให้ดวเราดูหรอกนะถ้าจิตไม่มีคุณภาพจิตยังมีตันหาอยู่ไม่เห็นหรอก สภาวะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวจิตจิตเนี่ยพวกเรามีจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์สภาวะเจ็ตัวเราไม่ต้องเรียนทั้ง72นะเรารู้ได้แค่กี่ตัวเราก็รู้อย่างนั้นแหละนะอย่างน้อยให้ได้2ตัวตัวหนึ่งคือจิตที่เป็นคนรู้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวอะไรก็ได้ในรูปธรรมนามธรรมนี้ถ้าขี้โกรธก็เห็นตัวโกรธตัวอีกตัวหนึ่ง แล้จิตเป็นคนดูก็จะเห็นว่าตัวโกรธไม่เที่ยงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายอย่างนี้ก็แค่นี้ก็พอละไม่ใช่ว่าต้องรู้สภาวะทั้งหมดหรอกแต่เวลาที่หลวงพ่อพอนานนะถ้ามันเกิดสภาวะอะไรที่แปลกๆขึ้นมาเนะี่ยมันสนใจมันจะต้องคอยเวียนกลับมาดูเรื่อยๆนะถ้ามันไม่มาเราก็คอยชำเลืองชิลเลืองเมื่อไหร่มันจะมานะพอมันมาแล้วก็แอบดูมันมันเป็นใครนะมันเป็นใครโอ้ตัวนี้แหละเรียกว่านี่ น, นี่นะ งทีก็รู้ชื่อนะบางทีไม่รู้ชื่อรู้แต่ว่ามันเป็นอย่างเนี้ยนะแต่ไม่รู้จักชื่อมันสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นมันทำหน้าที่อะไรเวลาที่มันทำงานขึ้นมาแล้วนะมันเกิดผลอะไร ใ, ใจมันจะคอยเคล้าเคลียนะคอยดูสุดท้ายเนี่ยมันจะเข้าใจขึ้นมาสภาวะอันนี้เกิดเพราะอะไร พอมันเข้าใจถึงจุดที่ว่าสภาวะนี้เกิดเพราะอะไรนะมันจะเข้าใจแล้วมันจะหมดความสนใจสภาวะนี้เลยต่อไปสภาวะนี้เกิดขึ้นมาก็เห็นแค่เกิดดับเกิดดับไปแต่รู้เหตุรู้ผลของมันนะรู้เหตุรู้ผลของมันไม่ใช่ดูซื่อบื้อไปหรอกเนื้อใจมันพิจารณาไปก่อนตรงที่มันเคล้าเคลียคอยพิจารณาสภาวะอยู่นะเคล้าเคลียอยู่ไม่เลิกนะเป็นวิมังสาถ้าเมื่อไหร่พวกเราพอนานะมีชันทะ มีวิริยะมีจิตตะจิตตะคือมีสมาธิมีความจดจอ่อคอยรู้คอยดูมีวิมังสาคือใคร่ ค, วครวญเคล้าเคลียร์อยู่เรื่อยๆความสําเร็จในการปฏิบัติจะเกิดขึ้นเองฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นองค์ธรรมของอะไรเรียกว่าอะไรอิทธิบาทอิทธิบาททาให้เกิดอะไรให้อายุยืนใช่ไหม <laughs> ใช่ <laughs> แต่ว่าไม่ได้ทําคุณสมบัติแค่นั้นนะทาให้ประสบความสําเร็จ มันคือธรรมะที่ทําให้สําเร็จงั้นเราไปวัดใจเรานะแล้วเราภาวนา ม, มาตั้งนานแล้วรู้สึกหงุดหงิดตัวเองไม่สําเร็จเสักทีมีฉันท้าจริงหรือเปล่าหรือมีโลภมีวิริยะหรือมีความบ้าเลือดบางคนเดินจงกรมหามลุ่งหามขําบอกวิริยะมากบ้าเลือดอยู่กําลังทําด้วยความบ้าเลือดนะจะหักคอกิเลสให้ได้ถ้ากิเลสไม่ตายกูจะตายรับรองมึงตาย <laughs> กิเลสไม่ตายหรอกนะกิเลสไม่กลัวไพวกบ้าเลือดหรอกกลัวสติกลัวปัญญา นะจิตตนะมีจิตจดจอ่อมีสมาธิหรือวอกแวกพวกเราวกแวกตลอดเวลารู้สึกไหมเราพร้อมที่จะพักการปฏิบัตินะไปทำอะไรอื่นก่อนเดี๋ยวว่างแล้วจะมาปฏิบัติต่อนะไม่ได้กินหรอกนะไม่ได้กินง่ายๆแต่ถ้าอินทรีย์อ่อนก็ทำอย่างนั้นไปก่อนสะสมบารมีไปนะวนะันใดที่ความทุกข์มาถึงตัวมากๆแล้วมันจะขยันภาวนาขึ้นมาเองแหละตอนไหนสบายมันจะเพลินๆไปก่อน ใครยังรู้สึกตัวว่าเผลอเพลินบ้างยกมือซินี่หันมาดูก่อนไม่ดูพระแล้วนกะ็อยากดูพระก็มีนเนาะเผลอเพลินเพลินไปเรื่อยๆนะแป๊บหนึ่งก็ปีหนึ่งละแป๊บหนึ่งก็ปีแล้วนะไม่นานก็ตายบางคนนึกคิดว่าเดี๋ยวอายุเยอะๆจะขยันภาวนาตอนนี้ขี้เกียจไปก่อนเล่นก่อนไม่ได้แก่ไม่มีโอกาสแก่ไปตรวจร่างกายมะเร็งจินไปแล้วอะไรนี้นะตาย ต้องอดทนนะหัดดูสภาวะไปเนี่ยที่หลวงพ่อฝึกมาเนี่ยฝึกมาแบบนี้เองครูบาอาจารย์สอนให้ทําอานาปานาสติทําไม่เลิกทําทุกวันแต่ทําแล้วถูกหลักคือทำแล้วไม่ขาดสติใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูหลวงพู่ดูลต่อยอดให้ให้ดูจิตดูจิตที่แรกก็ดูไม่เป็นไปจ้องจิตจ้องจิตไม่ได้ดูจิตนะจ้องไว้นิ่งๆอย่างนี้ดูจิตก็คือจิตมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้น จิตเดี๋ยวก็สุข field, เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไร้ทาไมมันสุขมันทุกข์มันดีมันไร้มันต้องกระทบอารมณ์ใช่ไหมกระทบอารมณ์แล้วมีการตัดสินมีการให้ค่าอะไรขึ้นมาแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วไป้นมาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราเห็นว่าจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตสุขจิตทุกข์นะ เ, นเกิดแล้วก็ดับจิตสงบเกิดแล้วก็ดับจิตฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับจิตมีศรัทธาเกิดแล้วก็ดับจิตมีวิริยะเกิดแล้วก็ดับ มีไหมมีริยะแล้วก็ดับขยันขยันนะขยันได้สองวันวันที่สมไม่เอาล้เอาไว้ก่อนนะบางคนแปะโป้งนะให้วิธีตั้งใจว่าจะภาวนาวันละชั่วโมงวันแรกก็ได้วันที่สองได้วันที่ 2, ท3มได้ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําชั่วโมงครึ่งชดเชยไปไปมาๆมันไปตั้งวันหนึ่งต้องทํา30ชั่วโมงนะถึงจะชดเชยได้สะสมไปเรื่อยๆไม่ได้กินหรอก เรื่อที่รลภาพฝึกมานะมันไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่พวกเราจะทำนะถ้าเรารู้หลักและอยังหลักของสมาธินยะอย่าขาดสตินะถ้าจะต้องการความสงบก็ให้จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขมีสติอยู่ถ้าต้องการให้จิตตั้งมั่นก็รู้ทันนะมีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาถ้าต้องการให้เกิดปัญญาก็มีสตินะแล้วก็มีสมาธิมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูมีสติ เห็นความเกิดดับของสภาวะธรรมภายในในจิตในใจนี่แนะดูไปเรื่อยสุขมาแล้วสุขไปทุกมาแล้วทุกไปดีมาแล้วดีไปชั่วมาแล้วก็ชั่วไปนะชั่วมาแล้วก็ชั่วไปแปลว่าอะไรเคยชั่วไงก็ชั่วอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่นะหมายถึงว่าความโกรธเงี้ยเกิดขึ้นได้อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ไปไม่มีหรอกโกรธตลอดเวลาหลวงพ่อเคยถามเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะเคยถามว่าใครเคยโกรธนานๆมีผู้หญิงคนหนึ่งยกมือจําหน้าไม่ได้แล้วนานนละ้ เราต้อโกรธเรื่องอะไรอกหักโกรธได้หนุ่มเนี่มันมาหลอกนะโกรธอกหักบอกโกรธมากเลยเหรอโกรธนานเลยเหรอโอยโกรธนานโกรธเป็นปีๆเลยบอกไม่จริงหรอกดูโงเ่เฮงแล้วนะอี๋ใหญ่คนเนี้ชอบช้อปปิง้งหลวพ่อถามเคยไปศูนย์การค้าไปอะไรไหมไปไปเรื่อยๆเคยปวดท้องไหมเวลาไปเตินซื้อของอะ่ะแล้วอยากหาห้องน้ําอ่ะเคยตอนที่เที่ยวหาห้องน้ําอ่ะ โหักไหมนะโกรธไหมไม่โกรธคิดแต่ว่าห้องน้ําอยู่ไหนวะนะจะไปถามเขาก็าอายนะก็ค่อยี้ดูๆนะไ ม, ไม่ไม่มีหรอกนะความโกรธเองก็เกิดดับความโลภเกิดดับความหลงก็เกิดดับอะไรๆก็เกิดดับทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการเจริญปัญญาถ้าเราจะดูจิตดูใจตัวเองนะอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งนะให้จิตมันทํางานไปแล้วเราทําหน้าที่ดู ดูจิตมันโกรธเหมือนเห็นคนอื่นโกรธ ด, ดูจิตมันโลภเหมือนเห็นคนอื่นโลภแต่ต้องดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นจริงๆนะเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมัน่นเนี่ยต้องฝึกวิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมัน่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นเป็นยังไงบ้างอย่างเรานั่งหายใจไปนั่งรู้ลมหายใจนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกสักพักหนึง่งหนีไปคิดเรื่องอื่นจิตหลงไปคิดจิตไหลไปคิดให้รู้ทันว่าจิตไหลไปคิด ไม่ต้องไปด่ามันนะไอ้ชั่วฟังให้อยู่กับลมหายใจเสือกหนีพิคิดบางคนไปด่ามันนะไม่รู้หรอกว่าไอ้ตอนที่ด่าเนี่ยฟุ้งซ่านอีกแล้วแล้วโทสะขึ้นด้วยเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติอยู่ดีแหละไปนั่งด่ามาันงั้นอย่าไปด่าจิตตัวเองนะจิตคนอื่นก็อย่าไปดา่าให้โดทันอย่างที่มันเป็นมันเป็นยังไงก็รู้อย่างนั้นแหละเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับ นี่หลวาพ่อภาวนาแบบนี้นะั้นใช้เวลาไม่เยอะเท่าไหร่หรอกสุดท้ายมันก็เห็นนะว่าสิ่งใดเกิดขึ้นมานะสิ่งนั้นอยู่ชั่วคราวไม่มีอะไรหรอกที่เกิดแล้วถาวรทาไมใจมันเชื่ออย่างนั้นนะก็มันเห็นอนะโลบเกิดแล้วก็อยู่ชั่วคราวหลงก็อยู่ชั่วคราวนะโกรธก็อยู่ชั่วคราวสงบฟุ้งซ่านชั่วคราวหมดเลยกระทั่งศรัทธาบางวันก็ศรัทธามากบางวันก็ศรัทธาน้อยบางวันก็ไม่ศรัทธา มีไม่พวกเราบางวันก็ไม่ศรัทธามีมีบ่อยๆไปนะถ้าเมื่อไร่พระพุทธเจ้านะสนองกิเลสเราได้เราก็ศรัทธานะถ้าท่านขัดแย้งกับกิเลสเราเราก็เลือกกิเลสไว้ก่อนนะไม่ศรัทธาจริงหรอศรัทธาของบุตรชนเป็นศรัทธากระกรอบนะกลับไปกลับมาแล้วแต่ผลประโยชน์เป็นหลักนะค่อยๆฝึกไปแล้ววันหนึ่งศรัทธามันเกิดขึ้นจริงๆนะ มันแน่นแฟ้นในใจเราเพราะเราภาวนาเรารู้เราเห็นไปเด่อยนะนี้มันจริงอย่างที่ท่านบอกนะแล้วเราก็าเริ่มสังเกตเห็นจิตใจของเราเนี่ยเริ่มมีวุตถิภาวะมันเริ่มเติบโตมันเริ่มเข้มแข็งพวกเรารู้สึกไหมเนี่ยหลวงพ่อมาสอนที่นี่หลายคนนะเติบโตขึ้นมารู้สึกไหมมันเข้มแข็งขึ้นมานะส่วนไอ้พวกนั่งสมาธิเดอ้อเดอ้อมันก็เติบตั้งชาตนะิมันไม่มีวันเข้มแข็งหรอกหรือไม่ก็ไอ้เครียดก็เครียดอยู่แั้วนะนะตากว้างไปหมดเงี้ยมันก็อยู่แค่นั้นอะ่ะ มันไม่เหมือนอย่างถ้าพวกเราภาวนานได้ถูกหลักถูกเกณฑ์นะมันจะมีพลังของตัวเองขึ้นมามันจะรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามันมองโลกมองชีวิตมองคว า, งอง Whoa, นะงวามเป็นจริงของกายของใจนะไดตรงความเป็นจริงยอมรับความจริงได้เยอะขึ้นผู้ใหญ่กับเด็กต่างกันตรงนี้แหละนะถ้าเป็นผู้ใหญ่จริงมีวุฒิภาวะจริงนะยอมรับความจริงเริ่มยอมรับความจริงได้มากขึ้นเด็กๆเพื่อฝันฝันอยู่ยังไม่ยอมรับความจริงอย่างเวลา อ, อกหักนะมันไม่ยอมรับความจริงนะมันถึง อ, อกหักถ้ายอมรับความจริงได้ก็เห็นแกมาแล้วแกก็ไปธรรมดานะเวลา อ, อกหักหลายๆทีก็จะเกิดวุฒิภาวะเหมือนกันนะเติบโตขึ้นมานะจะเห็นในโลกนี้ก็อย่างนี้แหละเอาแน่นอนไม่ได้นะแต่อย่างนั้นยังไม่ใช่วิปัสนาเพราะอะไรมันเทียบคนละห่วงเวลาแต่ก่อนเขาอยู่กับเราเดี๋ยวนี้เขาไม่อยู่เนี่ยสแสดงว่าไม่เทียบอันนี้ไม่ใช่วิปัสนาะนะมันเทียบคนละเวลากัน ถ้าวิปัสสนาเน ude, ี่ยสภาวะอันนี้แหะเกิดอยู่ต่อหน้าต่อตานี้แหละแล้วก็ดับไปต่อหน้าต่อตานี้แหละอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาเรค่อยๆฝึกนะไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอดทนค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปแล้วชีวิตจิตใ จ, จเราจะเปลี่ยนเราจะเติบโตเราจะเป็นผู้ใหญ่พอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเราอยอมรับได้เราอยอมรับได้นะเช่นพ่อแม่เราจะตายเรายอมรับได้แฟนเราจะทิ้งเรายอมรับได้ ตัวเองตีนกาจะขึ้นก็ยอมรับได้นะอย่างเด็กๆนะตีนกาขึ้นยอมรับไม่ค่อยได้จําได้ัหมตีนกาอันแรกขึ้นอายุเท่าไหร่ไม่อยากจําจําแล้วเจ็บช้ำเนะี่ยขึ้นหลายๆอันก็ชักอุเบกขาใช่ไม้มขึ้นอันแรกเนี่ยเจ็บที่สุดเลยนะหรือผมงอกเส้นแรกที่เห็นนะรู้สึกหวั่นไหวไหมใครเคยมีผมงอกยกมือสิใครมีผมงอกบ้างละมีบ้างหมโอแก่แล้วเนาะ จำผมงอกเส้นแรกได้ไหม ช, ช็อกช้ำมากเลยนาะพอเส้นที่ห้าร้อยชักจอุอบเบกขาพอเยอะๆเข้าเนีชักยอมรับเพราะอะไรใจมันเริ่มยอมรับความเป็นจริงถ้าใจยอมรับความเป็นจริงได้นะความทุกข์จะลดลงถ้าใจยอมรับความจริงไม่ได้ความทุกข์จะเยอะเพราะฉะนั้นการที่เราหัดดูรูปธรรมานามธรรมาซ้ำแล้วซ้าอีกนะเพื่ออะไรเพื่อให้ใจนี่มันยอมรับความจริง ความจริงที่ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งเราก็ต้องขืนโลกไปเนี่ยใจยอมรับตรงนี้ได้เนี่ยถ้ามันจะแก่นะมันก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่กลุ่มใจมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็รู้สึกธรรมดานะมันจะตายมันก็รู้สึกธรรมดา ถ้ามันธรรมดาได้มันไม่ทุกข์แล้วล่ะที่มันทุกข์เพราะมันไม่ยอมรับธรรมดาหรือจิตใจเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคนในโลกเนี่ยมันวิ่งหาความสุขตลอดเวลามันวิ่งหนีความทุกข์มันวิ่งหนย่างเนี่ยพล่านพล่านไปแต่พอเรามีสติปัญญานะเราก็จะเห็นความสุขมันก็ของชั่วคราวความทุกข์มันก็ของชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคราวคราวนี้ความทุกข์มานะเราจะไม่ทุรนทุรายเราจะรู้สึกว่าความทุกข์ก็ชั่วคราว ความสมหวังความผิดหวังทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยงั้นใจเนี่ยนะจะไม่ค่อยกับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงมีความสุขก็ไม่ฟูมีความทุกข์ก็ไม่แฟบใจไม่เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงนะใจส table นะเข้มแข็งอยู่ได้ในทุกสภาวะใจยอมรับความจริงใจก็มีความสุขเข้าถึงความสุขเข้าถึงความสงบเพราะมีปัญญาเห็นความจริงยอมรับความจริงที่เราฝึกกันแทบเป็นแทบตายก็เพื่อให้ใจมันยอมรับความจริงนี้แหละ จะไปสั่งให้ยอมรับมันก็ไม่ยอมต้องพามันดูของจริงจนมันยอมจํานวนต่อข้อเท็จจริงไปเห็นความจริงใหม่ๆใจสั่นสะเทือนเลยนะยอมรับไม่ได้อย่างภาวนาไปแล้วเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยบางคนสยดสยองนะโอ้เสียขวัญเสียกําลังใจร้องหม่มร้องไห้เสียดายมากเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วโว้ยนะแย่เลยเนี่ยถ้าดูไปซ้ําๆไปด้วยมันถึงจุดหนึ่งมันก็ยอมพอมันยอมได้นะการนี้มันไม่หวั่นไหว เราฝึกไปจนกระทั่งใจเข้าสู่ความเป็นกลางนะเป็นกลางแล้บุญบา ร, รมีทั้งหลายเราก็สะสมของเราไปเวลาวัดการปฏิบัตินะว่าดีหรือไม่ดีเนะีเราไม่ได้วัดเป็นรายวันเราจะวัดค่ายๆเกล็ดเฉลีย่ยนะเกร็ดเฉลีย่ยคือจิตใจของเราจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจที่เข้มแข็งเติบโตขึ้นมาเนี่ยเพราว่ามันมีบา ร, รมีมากขึ้นนะมันสะสมมาจากการสร้างความดีนาน า, นาชนิดนะเป็นพลังของจิต บางคนเจริญสติอย่างเดียวนะความดีอื่นไม่เอาเลยเจริญสติเจริญปัญญาอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่เอาเลยนะเรื่องศีลเรื่องอะไรไม่เอานั่นเลยพวกนี้จิตไม่มีพลังยังมีสมาธิบางคนก็ทําสมาธิเจริญปัญญาศีลไม่รักษาจิตจะไม่มีพลังนั้นพลังของจิตตัวนี้มันเป็นมวลรวมเป็นพลังรวมจากความดีทุกๆอย่างที่สะสมไปเรียกว่าบารมีต่างๆ สะสมบา ร, รมีต่างๆมากพอแล้วเนี่ยจิตจะเกิดพลังที่จะก้าวกระโดดจะเกิดเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนโคตรเปลี่ยนตระกูลได้พวกเราตอนนี้เรามีอยู่ในตระกูลเดียวกันทั้งหมดนะคือตระกูลปุถุชนนะเป็นปุถุชนเมื่อจิตมันมีบุญบา ร, รมีมากพอมีพลังมากพอแล้วจเจริญสติจเจริญปัญญามากพอเนี่ยมันจะก้าวกระโดดเปลี่ยนตระกูลไปไปอยู่ในตระกูลของโลกุตตะนะตระกูลของพระริยะ เราจะรู้สึกเลยว่าเรามีพ่อมีแม่ที่แท้จริงลพ่อแม่ของเราในชาตินี้ก็จริงนะเป็นพ่อแม่จริงแต่เป็นในชาตินี้แต่พ่อแม่ของเราในสังสารวัตรนียคือพระพุทธเจ้าคนนี้เราจะรู้สึกว่าเรารู้แล้วล่ะพ่อแม่ของเราคือใครพี่น้องของเราคือใครมันจะรู้สึกอย่างนั้นเรารู้แล้วว่าบ้านของเราอยู่ที่ไหนพวกเราหลงออกมาจากบ้านคล้ายๆอย่างนั้นนะคล้ายๆเด็กหลงทางเราเป็นเด็กหลงทาง เด็กบางคนหลงทางมานานจนไม่รู้ว่าตัวเองมีบ้านอยู่พวกเราเนี่ยคือเด็กที่หลงทางมานานเราไม่รู้ว่าเรามีบ้านที่แท้จริงนะเราก็าไม่คิดที่จะกลับนี่พระพุทธเจ้าในเมตตากรุณาสูงนะท่านอุสาประกาธรรมะออกมาลำบากขันมากเลยในการประกาศธรรมะเนี่ยคล้ายๆสอนวัวสอนควายให้ขึ้นต้นไม้กันนะไม่ใช่ง่ายนะสอนให้คนละกิเลสนะดีไม่ดีมันก็แว่งเอานะโกรธเอ เมท่านกุศลธรรมท่านก็ชี้ทางให้เราพอเราเริ่มเดินไปเดินไปเนะี่ยถึงจุดที่เรารู้ความจริงแนละ้วว่าตัวเราไม่มีนะรูปธรรมนามธรรมมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของไม่ใช่ตัวเรานะการกระทำนะมีอยู่แต่ไม่มีผู้กระทำใจมันอย่างนี้มันรู้จักความจริงของธรรมะลนะ้มันล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนล้างความเห็นผิดในเรื่องวิธีปฏิบัตินะไม่งมงาย หมดความลังเลสงสัยในพรรัตรนะ์ไตรใจได้พระโสดาบันเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันใช้เด็กหลงทางที่รู้แล้วว่าบ้านอยู่ที่ไหนแต่อยากกลับไม่ถึงบ้านนะเรารู้แล้วว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนนะรู้แล้วว่าพ่อแม่เราคือใครนะรู้ว่าพี่น้องเรามีนะคือบรรดาพระฤยาเจ้าทั้งหลายแต่ว่าเรายัง ก, กลับไม่ถึงบ้านเราก็จะเกิดความภากเพียร น, นะมุ่งมั่น ศรัทธาของเราคราวนี้จะแน่นแฟน้นะไม่คร่อนแคลนแลเราก็จะขยันภาวนาไปเรื่อยบางคนก็ใช้เวลานานหน่อยอนะินทรียไม่แก่กล้าใช้เวลาเจ็ดชาตินะเจ็ดชาติสั้นนิดเดียวนะเราเวียนตายเวียนเกิดนับชาติไม่ทวนบางคนก็สองสามชาติบางคนก็ชาติเดียวแล้วนภะาวนาไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ถึงบ้านถึงบ้านแล้วโห้ยหาบ้านแทบตายบ้านอยู่ที่นี่เองนะ หาสุดรอบจักรวาลอยู่ที่จิตที่ใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานี่เองจะพบพระพุทธเจ้าตัวจริงนะจะพบว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆแต่ว่าไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าที่ไปนั่งเข้าแถวนั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะหรือนั่งบางสำนักก็นั่งเก้าอี้นะพระพุทธเจ้านั่งอย่างเงี้ยมาสำนักก็นั่งสมาธิกระดุกระดิกไม่ได้ด้วยนัเหมือนรูปปั้ น, นไม่ใช่หรอกะอะไรที่ยังเป็นรูปเป็นนามอยู่ไม่ใช่นิพพานนะ รู้เป็นนามไม่ใช่นิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นทุกข์สิ้นขันนะแต่ว่ามีไม้ยสภาวะนั้นมีก็คือภาวะที่สิ้นทุกสิ้นขันสิ้นตัณหานั่นแหละนะเวลาที่ตายธาตุขันนี้แตกพลังงานที่มีอยู่ทิ้งไ้ในโลกนะส่วนอมตะธาตาุอมตะธรรมรวม้ากรบพระพนิพพานไปนะนิพพานไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลง เยอะไปแล้วพวกเราเริ่มตาแป๋วแล้วยากไปฟังไว้ก่อนนะแล้วก็ขยันภาวนาทําให้ถูกสิ่งที่ผิดมีสองงานหนึ่งไม่ตึงไปก็หย่อนไปตึงไปก็เพราะโลภหย่อนไปก็เพราะขี้เกียจนะเพราะหลงโลกนะตึงไปก็เพราะโลภมากอยากดีอยากพ้นทุกข์ก็แค่นี้แหละนะถ้ารู้เท่าทันจิตใจตอนนี้ตึงไปรู้ทันตอนนี้หย่อนไปรู้ทันก็เข้าทางสายกลาง เมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นก็ถูกถ้าถูกแล้วมันก็เดินของมันไปเรื่อยๆนะแต่ละวันบางช่วงก็จเจริญบางช่วงก็เสื่อมแต่ภ า, ภาพภาพรวมเนี่ยเราจะเติบโตขึ้ น, นชนกระทั่งวันหนึ่งมันมีกําลังข้ามพ้อไปนการนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะออสามตีปีมานี่ตะลุมบอลก็ทุกมากเห็นทั้งทุกจากกิเลสแล้วทุกจากการมีขันแล้วก็ใจไม่เป็นกลางอือืมถูก ตะลุมบอลกับมันจนจนเหนื่อยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราจะสู้ไปทําไมดิ้นรนไปจนใจมันล้าแล้วก็เริ่มยอมรับว่าเออต้องต้องต้องรู้อย่างเดียวแล้วก็เริ่มรู้เท่าทานมากขึ้นค่ะแต่ก็ดูไม่ออกว่าจิตที่มันอยากและยึดตรงเนี้ยจนมีอยู่วันหนึ่งค่ะหลังจากที่ทุกสาหัสนี่ได้ยินเสียงหลวงพ่อว่าจิตที่มันอยากแล้วมันยึดอืมันมันเป็นกิเลสมันเป็นปัญหาที่ ทำให้เราแย่อืมมันปิ๊งขึ้นมาเลยค่ะว่าอ๋อเราโง่อยู่ตั้งนานหน้าหน้าสมน้ําหน้าตัวเองว่าทําไมดันทุลังอยู่ได้ห้ามมันไม่ได้หรอกอจริตนี้ใส่คนนะบางคนมันก็สู้สู้อย่างนั้นแหละห้ามไม่ได้หรอกอะแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาตอนนี้ดีกว่าตอนเนี้จิตถึงฐานไหมไม่ไม่ถึงเท่าไหร่ค่ะอืมตอนเนี้จิตมีน้ําหนักไหมมีนิดหน่อยโอ้ตอบถูกใช้ได้จิตออกนอก นะแล้วก็เพ่งอยู่ด้วย<ช>เพ่ง<ะ>ไปออกนอกไปดู<ะ> อ, อกใช่ไหม<ช>เออถ้าออกก็ไม่เป็นไรละรู้<ะ>อย่างที่เขาเป็นค<ะ>นะที่หลวงพ่อสอนสอนพวกเรานะก็คือหัดรู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นให้ได้เท่านึงค<ะ>บางคนมันหย่อนไปก็ตบทางนี้ที้งคนตึงไปกับหลักทางโน้นทีนะ<ะ>ก็พอทางมันเข้าทางสายกลางได้เราก็ดูอย่างที่มันเป็น<ะ>จิตยังไม่ได้ละนี้นั่นไปนะคือยังมีโทสะอยู่ ใช่ค่ะในการรู้สภาวะเนี่ยมันเจือโทสะอยู่เนืองเนืองใช่ค่ะตลอดเลยให้รู้ทันตัวนี้นะค่ะจิตเนี่ยไม่ได้เป็นกลางค่ะเมื่อจิตไม่เป็นกลางเนี่ยมันยังไม่ได้ผลออกยังเหนื่อยอีกชอย่าท้อใจนะค่ะก็พยายามบอกตัวเองว่ามันถอยหลังไม่ได้แล้วแล้วมันใส่เกล็ดไหมถอยหลังไม่ได้แล้วได้ค่ะใช่ใช่ค่ะเนี่ยต้องรู้อย่างนี้นะมันมันเจืออยู่ตลอดค่ะนั่นแหละรู้ทันโทสะไว้ถ้ารู้เราก็ใช้ได้ไป ใ น, นพิการพระหลวงพ่อจิตโยมช่วงก่อนเขาจะเห็นแต่ความทุกข์แล้วก็ตอนเนี้ยมันจิตมันหมดแรงแล้วก็กระจายพราหลวงพ่อแต่<ช>ว่าเจ้ามองอยู่ะนะพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์นะแต่ว่าเราเกลียดทุกข์กันเราอยากรู้สุขในโลกนี้ไม่มีสุขที่แท้จริงหรอกสุขอยู่ก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ทุกข์มันก็มาอีกแล้วละ่นะนี่ถ้าใจเรายัางไม่ยอมรับความจริงใจเราก็ดิน้น ตรงที่ใจเราดิ้นนั่นแหละเรายิ่งทุกซ้ำสองค่ะมันหมดแรงเลยค่ะเริ่มดิ้นมากก็หมดแรงธรรมดาแต่จะไม่ให้มันดิ้นก็ไม่ได้ธรรมชาติของจิตมันก็ต้องดิ้นรนอย่างนั้นแหละมันจะดิ้นไปจนกระทั่งมันฉลาดนะแล้วมันหยุดดิ้นแต่ก่อนที่มันจะฉลาดแล้วหยุดดิ้นเนี่ยมันดิ้นดินดินแล้วมันหมดแรงหมดแรงแล้วพอมันมีแรงมันจะมาดิ้นต่อค่ะใช่ค่ะดิ้นทุบทุบทุไปดิ้นคลอกแคลกคลอกแคลกไปนะ ดิ้นดินหมดแรงอีกเนี่ยพอดิ้นไปดิ้นไปต่อไปมันฉลาดขึ้นมามันรู้เลยว่าเจริญก็ไม่เที่ยงนะเสื่อมก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่ทําได้เลยสติสั่งให้สติเกิดก็ไม่ได้สติเกิดเพราะมีเหตุคือจิตจําสภาวะได้บางทีจิตก็ไม่จำ mm ํำ hmm. สมาธิสั่งให้เกิดก็ไม่เกิดสมาธิก็ต้องมีเหตุถ้ามีเหตุสมาธิก็เกิด ปัญญาบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีมวิริยะความดีทั้งหลายนะี่ยทุกตัวะมีบ้างไม่มีบ้างมันจะเห็นเลยธรรมชาติทั้งหลายนะีเยเจริญแล้วเสือเเเส่อมเจริญแล้วเสื่อมพอมันเห็นตรงนี้แล้วมันก็รู้ว่าไม่มีทางหรอกที่เราจะทำจิตนี้ให้มารู้มรรคผลได้พอมันเห็นถึงตรงนี้นะจิตจะหยุดกันดิ้น<ม>แต่ว่าการที่มันดิ้นมาตลอดเวลาเนี่ยมันได้สะสมสติสมาธิปัญญามาจนแก่กล้า ตรงที่มันหมดเจตนาที่จะดิ้นสติสมาธิปัญญาทำงานอัตโนมัติขึ้นมาตรงนั้นแหละที่จะได้ของดีะนะเพราะนั้นดิ้นไปเถอะห้ามไม่ได้หรอกอหมดแรงแล้วก็ไม่เป็นไรมีแรงแล้วดิ้นต่อนะสู้ไปสู้ไปจนวันหนึ่งมันฉลาดเราบอกไม่ได้หรอกว่าเมื่อไหร่มันจะฉลาดจิตมันไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้ภาวนาไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะ จิตมันจะถอดใจถอดใจหลังชนกุมภแพงแล้วภานาไปก็ไม่รอดแล้วแต่ถึงจุดนั้นสติสมาธิปัญญาเนี่ยสมบูรณ์ซะแล้วแล้วก็หมดโลภะเจตนาหมดความรู้สึกที่ว่าจะทําจะอยากได้น ะ, อ, ะอยากพ้นทุกข์อยากเป็นพระอรหันต์อะไรเงี้ยพอมันหมดตัวนี้นะหมดโลภะเจตนาไปแล้วเนะี่ยจิตมันจะรวมน ะ, ะจะรวมภาปนาสมาธิแล้วอริยามรรคจะเกิดขึ้น ตรงที่อริยมรรคเกิดขึ้นนะีไม่มีความจงใจให้เกิดเพราะอะไรถ้ายังมีโลภะเจตนาอยู่จิตจะสร้างภพอันใหม่ขึ้นมาทันที mm. นะเพราะมันจะไม่เข้าโลกุตระหรอกแต่มันเข้าโลกุตระได้นะเพราะมันไม่มีเจตนานมันไม่มีโลภะเจตนาตโลภะเจตนาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาหาราปัใจจัยให้เกิดการกระทํากรรมนะเป็นมโนสัญญาเจตนาเจตนาของใจเนจะทําให้จิตกระทํากรรม เมื่อจิตกระทากรรมนะจิตก็อยู่ในภพจิตก็เข้าโลกุตตะละไม่ได้นะก็ติดอยู่ในภพนั่นแหละในภพดีบ้างเลวบ้างสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างแต่อยู่ๆจะไม่ให้มีโลภะเจตนาไม่ให้มีโมโนสัญญะเจตนาไม่ไดนะ้เจตนาไปก่อนจะทนเอาเรียนไปจนวันหนึ่งมันฉลาดมันร่วมทําไม่ได้แต่มันเลิกก็ไม่ได้เพราะาอะไรสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติมันทํางานของมันเองไม่ใช่เราทําแล้วนะ จะทำก็ไม่ได้ไม่ได้ผลจะเลิกปฏิบัติก็ไม่ได้เพราะมันปฏิบัติของมันเองอรตรงนั้นแหละมันจะได้ของดนะีเพราะไม่มีความจงใจเพราะไม่มีความจงใจไม่เกิดการสร้างพบขึ้นมาก็นะคุณหลงพ่อมากเลยค่ะนมัส ก, การรับนมัศการหลวงพ่อครับผมรู้สึกว่าจะเข้าใจการภาวนามากขึ้นแล้วถูกแล้วจิตตอนนี้เป็นไง อันนี้อ่าบังคับอยู่ไหมบังคับอยู่เอรู้นี่รู้แล้วทาไมบังคับครับมันเพราะว่าห้ามไม่ได้บอกงี้สิเพราะมันยังอยากดีอยู่ใช่ครับแล้วก็มันรู้สึกว่าถ้าเราหลงไปกับทางโลกมากเกินไปเรายุ่งึมมันจะมีความทุกข์โอ้ยทุกข์แต่ว่าก็ยังเพลิเพลินกับมันไปอยู่หลวงพ่อหน้าอยู่กับโลกถ้าพูดไปเน่ยอยู่กับโลกก็อยู่อย่างสบายเรียนหนังสือก็เรียนเยอะงานการก็ดี เงินเดือนก็เยอะนะภรรยาก็ดีนะดีไปหมดเลยสบายสบายนะแต่ว่าใจเนี่ยมันรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นบ้านชั่วคราวตรงเนี้ยมันอยู่ชั่วคราวของดีกว่านี้ยังมีอยู่พอแม่ชีเขาชวนบวชเลยบวชบวชหาทางกลับบ้านโลกนี้เราอยู่มันนานแล้วเราก็ดูไปห้ามมันไม่ได้หรอกแล้ว เผมภาวนาเคยดูไปที่ลมหายใจอะครับอื ม, มันเห็นความสุขกับความทุกข์เนี่ยไม่ไม่ทราบผมเห็นเป็นมันจริงหด้วเปล่าเกรนสิหายใจไปแล้วสุขเราก็รู้นะทุกข์เราก็รู้หายใจไปแล้วก็รู้สึกไปตรงที่เราหายใจเนี่ยเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเรากําลังเจริญกายานุ ป, ปัสสนาอยู่หายใจไปแล้วมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เราเห็นสุขทุกข์ก็แปรปรวนไปเรื่อย เราจเจริญเวทนานุปัสสนายุดหายใจไปแล้วนะมีความสุขราคะาก็แทกมีความทุกโธสะก็แทกเราจเจริญจิตตานุปัสสนายุดหายใจไปแล้วเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมทำงานไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราจเจริญทำมานุปัสสนายุ่งนะงั้นอนาคานสติเนี่ยทำได้ครอบคลุมสติปัฏฐานทั้ง4นะไม่เลิกเลยทําได้ตลอดเลยนะหายใจเรารู้สึกหะทําให้ดูซิ อย่างนี้แมว อ, อย่างนี้เพ่งเคลียรครับนนะให้เห็นร่างกายหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูทําไมหลวงพ่อสอนไม่ค่อยเหมือนคนอื่นคนอื่นเขชอบสอนให้ดูที่ลมหายใจดูลมหายใจมันจะกลายเป็นกระสินลมนะสุดท้ายมันจะกลายเป็นแสงแเอาไว้เล่ น, อ น, อนเอาิญญงเอาปิญญาไว้เข้าชาญแต่ที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยสอนให้ให้มุ่งไปที่การเจริญปัญญาให้เร็วที่สุดเลยเพราะชีวิตของเราไม่แน่นอน นะเอาไว้บรรลุมรรคผลซะก่อนนะค่อยเล่นเอาปัญญาก็ยังทันนะนี่หลอกเด็กนะ ถ, ถึงเวลานั้นไม่อยากเล่นหรอกนะถ้าคือเล่นตอนนี้ก็ไม่ได้ของจริง ม, มันก่อนเข้าพรรษาไปกราบอุปชาอาจารย์อาจารย์หลวงพ่อที่เป็นกรรมวจจาองค์นี้ท่านก็เก่งท่านนะท่านเลยบอกโออาจารย์ประมุ่นี่ไม่สนใจอดีตไม่สนใจอนาคตเลยนะ มุงแน่วแน่อย่างเดียวอยากจะพ้นทุกไปพยายามจะพ้นทุกบอกผมไม่เอาหรอกผมต้องเล่นนะมันสนุกนะช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่มัน <c oughs> สนุกเออท่านสนุกของท่านเราไม่สนุกด้วยเราเห็นแต่ทุกข์เอาของจริงนะของเล่นเอาไว้เล่นทีหลังถ้าเราเคยฝึกมาแล้วเนี่ยอย่างนี้เคยฝึกอนาปานสติแบบเพ่งลมนะมันเคยฝึกอยู่แล้วถึงวันที่ใจ มันเกิดอริยมรรคขึ้นมาเนี่ยเขอเล่นมันจะกลับมาเองไม่ต้องฝึกอะไรแล้วเล่นแป๊บเดียวก็เป็นเลยเราไม่ทราบว่าผมต้องมีอะไรเพิ่มเติมอะไรไมครับไม่เพิ่มสิรู้อย่างที่เป็นไม่เพิ่มอะไรมันขอบคุณครับทุกยิงเพิ่มยิงช้าเอานมาสการครับหลวงพ่อ ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเออใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้นธรรมะเนี่ยจะจับหัวใจวายอยู่แล้ว <c oughs> เอางี้ดีกว่าสงเคราะห์หน่อยให้พวกนี้ก่อนได้ครับะเรายอมตื่นเต้นเราบุรุษเพศให้พวกขี้กลัวก่อนเดี๋ยวก็จะหัวใจวายไปเนาะขอบพรสคุณหลวงพ่อค่ะคือลูกเห็นถูกแล้วล่ะเออขันมันก็แยกนะดูขันมันทํางานไป แต่ว่าถ้าพรณนาไปแล้วใจมันฟุ้งซ่านก็ทำความสงบ <Okay. S 2> นะงั้นเจริญปัญญารวดไปมันจะฟุ้งไป <Okay. S 2> นะคะทำเป็นช่วงๆไป <Okay. S 2> นะแต่ตอนนี้มันเข้มแข็งขึ้นดีมันโตหลวงพ่อถึงว่าพวกเราอะ่ะมันเจริญเติบโตขึ้นนะบารมีมันเพิ่มมันมีกำลังที่จะไปจากโลกนี้ <Okay. S 2> นะสะสมไปอย่างนี้ยังอ่อนหน่อยนะดีขึ้นแต่ยังไม่เข้มแข็งเท่าเจคนนี้ <laughs> กับขอบคุณ ม, ม, มีอะไรเพิ่มเติมไหมจ๊ะคะเพิ่มอีกละ <laughs> รู้อย่างที่เป็ น, ปนรู้สบายๆ ส, สังเกตดูจิต ต, ตอนนี้ถึงฐานไหมอันนี้มันแน่นะจิตไม่เข้าบ้า น, นะจิตมันแน่นมันเครียดแล้วก็มันไม่เข้าบ้านคือมั น, ม, นมีโทสะเกือบวินาทีต่อวินาทีเลยอะคะ่ะดูไปเหมือนเห็นคนอื่นนะ <laughs> แล้วเราเป็นกลางเราจิตที่มีโทสะ พวกเราจะพลาดอย่างหนึ่งพอเราเห็นอะไรที่ไม่ดีเราไม่ชอบเราหาทางแก้แทนที่จะไม่ชอบแล้วหาทางแก้นะรู้อย่างที่มันเป็ น, นรู้โทสะไปจิตมีโทสะจิตไม่ชอบโทสะรู้ว่าไม่ชอบนะจิตจะเป็นกลางแล้วจะเห็นโทสะสอนธรรมะเราตอนนี้ก็ดูมันแบบค่อนข้างล่าเรื่ออย่างไม่ค่อยล่าเรืงยังดูอย่างเชียดแขนอยู่อย่ามาอัมนะแต่มันแบบว่า มันเหมือนแบบแค่ขยับกายก็แบบมีความขุ่นเห็นไหมตรงเนี้ยกิเลสที่เรียกว่ากุกกุจ่ามันงุนงิดตัวเองนะมันไม่ได้หงุหงิดคนอื่นอ่ะงุนงิดตัวเองว่าไม่ผ่านสักทีป่ะยังจะบอกไม่มีโทสะอีกเดีเป็นกลางมันแค่ขยับตัวมันก็ขุ่นแล้วค่ะอนั่นแหละดีขุ่นเรารู้วาเอาค่ะพวกโทสะนะพอนาง่ายนะเวลา เจอพวกโทสะเนี่ยหลวงพ่อจะสอนให้ดูอนัตตานะอย่าไปดูอนิจจังดูในมุมของอนัตตาไปได้ยพวกโทสะกล้าเนี่ยปัญญาจะกล้าพวกปัญญากล้าดูอนัตตาถึงจะลง<อ>เห็นไหมมันโกรธดได้เองคืออย่างนี้นะอืมมันโกรธเองมันหายเองอ้ามันโกรธเองอีกแล้วดูมันทํางานได้เองไปเรื่อยๆนะพอเห็นมันทํางานได้เองต่อไปก็ไม่เข้าไปแทรกแซงมันนะตอนนี้ยังแทรกแซงอยู่้ไปทําต่อ ขอบคุณเจ้ า, า, กกาค่ะกำน้ำวัตกรรมหลุงพ่ อ, อตอนนี้ทำรูปแบบคือเดินจงกรมอยู่อค่ะจิตไม่เข้าบ้าน<ม>ไหนไมาเดินโชว์ซิตื่นเต้นค่ะอ๋อตื่นเต้นมากอย่าเพล่าัวใจจะวายก็รู้สึกว่ามันจะเป็นธรรมชาติมากกว่าเมื่อก่อนนะคะถูกในภาพรวมนะพาวนานดีขึ้นน ะ, ะแล้วแล้วคอยรู้อย่างหนึ่งจิตถึงฐานหรือไม่ถึงฐานตรงเนี้ย ตัวนี้สำคัญจิตถึงฐานไม่ใช่ว่าต้องถึงฐานนะถึงก็รู้ไม่ถึงก็รู้แต่ถ้าจิตมันไม่ถึงฐานแล้วก็เจริญปัญญาไปด้วยไม่เกิดหรอกไม่เกิดปัญญาจริงมี <laughs> <laughs> ดูเอาสิจะมีอะไรอีกอะ่ะ<า> <laughs> มีอะไรที่หลวงพ่อจะบอกอีก <laughs> บอกมาจนเสียงแห้งแล้วขอบพระคุณค่ะ น, นมัสการค่ะอย่าไปท้อถอยใจนะที่เราพอนามาดีขึ้นเยอะแล้ว ทุกคนเลยตั้งแต่หัวแถวยันท้ายแถวนะดีขึ้นทุกคนแหละถ้าให้คะแนนก็ให้ผ่านแต่ถ้าปีหน้ายังเหมือนตรงนี้สับตกนะเนื่องเจริญอยู่กับที่ไม่ได้นะมันจะค่อ ย, อยๆอัพเกรดตัวเองเป็นพลังมันจะเยอะขึ้นใจมันจะเข้มแข็งมันจะเติบโตขึ้นอ้าว่ามารู้สึกการหลวอพ่อครับรู้สึกไหมว่าร่างกายกับใจมันคนละอันกันดูออกบ้างไหมนั่นแหละดี ไม่ทราบว่าปฏัติไหถูกต้องฝึกอีกนะอมันจะถูกเป็นลําดับลําดับไปวันนี้ถึงตรงนี้ก็ถูกนะปีหน้าอยู่ตรงเนี้ผิดต้องไปอีกมันจะพัฒนาไปเรื่อยอยู่กับที่เนี่ยไม่ใช้ไม่ได้ไม่ทํารู้อย่างที่มันเป็นแต่ว่าต้องถือศีลห้านะรักษาศีลให้ดีทุกวันแบ่งเวลาไว้ทําในรูปแบบการทําในรูปแบบไม่ได้ทําเพื่อโลภนะไม่ได้ทําเพื่อจะเอาอะไร ได้ปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเท่านั้นปฏบิบัติบูชาครูบาอาจารย์เพราะว่าพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์บอกให้เราทําเราเคารพเราก็เชื่อฟังเราก็ทำํำนะจะได้อะไรไม่ได้อะไรก็ทําต้องใจต้องอย่างนี้นเลยนะแล้วมันถึงจะเร็วถ้าภาวนาทังเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้โทรศจะขึ้นนะชี้โมโหไหมเออมีบางครั้งก็รู้ไปน้อยอกน้อยใจอะไรก็รู้นะออนั่นแหละรู้ไป ลองหายใจนะหายใจให้ใจกลับบ้านหายใจเข้ามาเวลาตื่นเต้นอ่ะหายใจลึกๆหายใจยาวๆหายใจลึกๆเดี๋ยวจะหายตื่นเต้นหายใจไหหายใจก่อนแล้วพูดทีหลังหายใจเห็นใจที่อยากพูดเป็นเพือกไหมเออนั่นแหละภาวนา หายใจไปเรารู้ทันใจไปอย่างนั้นแหละเรียกปฏิบัติจิตไหลไปละรู้สึกไหมออให้รู้ทันว่าจิตไหลไปหายใจไปเรารู้ทันจิตอย่างนั้นแหละเพ่งเรารู้สึกไหมจ่อึดอัดเราไปเพ่งมันทำไม <laughs> ก็บอกสิมันเพ่งเองเนี่ยนะหายใจไปนะแล้วก็รู้ทันใจไปใจไปทำอะไรก็รู้นะใจไหลไปไหลมาก็รู้ ใจหนักก็รู้ใจเบาก็รู้ใจสุขใจทุกก็รู้นะนั่นแหละปฏิบัติไม่มีปัญหาอื่นหรอกรรมัสการหลวงพ่อค่ะใช้ได้วันนี้ในลูกแบบก็จะมีเดินจงกรมเป็นหลัก ใ, ให้คนนี้ก่อนก <laughs> ำลังใจลอยอบับสักหน่อยเราโอ้ยเลยรำมัส <laughs> การหลวงพ่อครับอืมครั <laughs> บก็บยังมีเดินจงกรมอยู่ครับแล้วก็ ช่วงนี้รู้สึกว่าตามดูอ่าจิต ท, ที่มันเคลื่อนไปทํางานเองได้บ่อยเป็นพวกเราว่าใช้ได้นะเกือบทุกคนเลยนะขันมันแยกหมดแล้วละ <c oughs> ขันแยกจเนเป็นธรรมชาติเมื่อขันแยกจนเป็นธรรมชาตินะการปฏิบัติที่เหลือเนี่ยไม่ยากล้วดูบ่อยๆดูขันทํางานบ่อยๆถึงวันหนึ่งจิตเก็ยอมรับความจริงของขันทําถูกแล้วละขอขอการบ้านด้วยครับทํานทำต่อทําถูกแล้วก็ทําต่อ <c oughs> <c oughs> อันนี้ นมาส ก, การค่ะหลวงพ่อคือตอนนี้รู้สึกจิตมันค่อนข้างจะฟุ้งซ่านแล้วไม่ค่อยมีสมาธิไม่ว่า ม, มัน<อ>เวลาจิตฟุ้งซ่านนะหรือบางทีจิตมืดมืดมัวมัวนะจะตกใจหลวงพ่อมาก่อนก็ตกใจพาวนาแล้วจิตมัวมัวไปนะทนไม่ได้นะต้องหาทางให้มันสว่างเนือจิตฟุ้งซ่านก็ทนไม่ได้หาทางให้สงบต่อมานะฉลาดขึ้นมาจิตมัวรู้ว่มัวนะไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอยากให้สว่ารู้ว่าอยากใจเข้าสู่ความเป็นกลางนะก็ เ, เลิกมัวไปเลย นะจิตฟุ้งซ่านก็เหมือนกันจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านอยากให้หายรู้ว่าอยากนะในที่สุดจิตก็เข้าสู่ความเป็นกลางก็เลิกฟุ้งซ่านไปเลยเพราะฟุ้งซ่านมาหลอกเราไม่ได้อีกแล้วกิเลส ท, ทุกตัวมันจะหลอกให้จิตของเรากระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงเพราะฉนั้นนะบางทีมันก็เอากิเลสมาหลอกเราที่เอาความดีมาหลอกเราก็มีนะสว่างสวัยดีแล้ว อ, อยากอยู่ตรงนี้นานๆให้รู้ทันใจของเราเองใจที่ยินดีให้รู้ใจที่ยินร้ายให้รู้ แลในที่สุดใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางและสภาวะทั้งหลายทั้งดีและร้ายอย่างฟุ้งซ่านและสงบจะเท่าเทียมกันสว่างและมืดจะเท่าเทียมกันแคบและกว้างก็เท่าเทียมกันหนักและเบาก็เท่าเทียมกันสภาวะทั้งหลายนจะเท่าเทียมกันหมดเลยเมื่อใจเป็นกลางเมื่อใจเป็นกลางแล้วเนี่ยสภาวะทั้งหลายสอนธรรมะเราเท่าๆกันหมดเลยกูศอก็สอนใจรักอากูสอนก็สอนใจรักเพราะเราไม่ได้รักตัวหนึ่งเกลียดตัวหนึ่ง ตรงนี้ที่นักปฏิบัติส่วนใหญ่พลาดนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยมุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบพอมันไม่ดีไม่สุขไม่สงบทนไม่ได้เราไม่ได้ฝึกเอาดีเอาสุขเอาสงบนะเราฝึกให้เห็นว่าดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงทุกอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราบังคับไม่ได้สักอย่างเดียวใจจะเป็นกลางนั้นต่อไปเนี่ยพอมันมืดมาปุ๊บรู้ทัน เฉยๆใจเบิกบานหายมืดเลยหายทันทีเลยนะออง่ายมากเลยแต่กว่าจะง่ายยากก่อน <c oughs> ยากเพราะอะไรยางดิ้นไม่เลิกเพราะว่าอะไรรักดีเกลียดชั่วรักสุขเกลียดทุกขนะ์รักสงบเกลียดฟุ้งซ่านใจมันจะเอาอันหนึง่งจะเกลียดอันหนึง่งมันไม่เป็นกลางงั้นะรู้ทันไหมรู้ทันว่าไม่เป็นกลางง่ายง่าย แล้วคือตอนนี้ในรูปแบบก็จะเดินจงกรมเป็นหลักแล้วก็จะมีนั่งสมาธิดูลมบ้างนิดหน่อยอะค่ะ อ, อ, อยากให้หลวงพ่อดูให้หน่อยว่าดูลมมันมีอะไรผิดหรือเปล่า อ, ะอ่ะเอาดูไปยิ้มหวานก่อนอย่าลืมหลักสูตรของหลวงพ่อก่อนจะเริ่มภาวนาะต้องยิ้มยิ้มให้ใจมันคลี่เลยนะไม่ใช่ยิ้มแต่หน้านะอย่างนี้ไม่เอานะเอออย่างงี้ไม่ได้ประโยชน์เลยต้องยิ้มให้ใจมันคลี่ออกเลย แล้วใช้ใจที่คลี่คี่เนี่ยใช้ใจที่ธรรมดาธรรมดาเนี้สบายสบายเนี่ยไปรู้สภาวะธรรม เ, เห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่ผ่อนคลายเบิกบานอย่างนี้เครียดไปเอาใหม่ทําไม่ยิ้มเลยเห็นไหมโอ้บอกให้ยิ้มก่อนเนี่ยใช้ใจอย่างนี้เลยนะใช้ใจอย่างตรงนี้แหละแล้วก็เห็นไหมร่างกายกําลังหักหัวล้อเห็นไหมร่างกายหายใจใช้จิตตัวนี้นะ ไม่ใช่จิตที่อย่างนี้นะเอาละถัดจากนี้จะเริ่มปฏิบัติเอาจิตที่ผิดปกติไปปฏิบัตินะไม่ได้กินหรอกรู้สึกไหมไปรวบเข้ามาอีกแล้วอย่างนี้มันมีน้ำหนักขึ้นมาแล้วเนี่ยแค่นี้ก็รวบแล้วนะยิ้มหวานอันไปยิ้มกับคนข้างๆยิ้มแต่หน้าใจไม่หลุดอ้รู้สึกไหมยังหนักอยู่ยังอึดอัดอยู่ ลืมเรื่องปฏิบัติก่อนร้องเพลงเป็นไหมร้องให้พักพวกฟังแล้วเพลงมีใหม่อยู่แล้วเนี่ยใช้ใจตรงนี้นะใช้ใจอย่างนี้แหละธรรมดานี่เองธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะนี่นักปฏิบัตินะแทนที่จะเอาใจธรรมดาที่แสนดีนะกลับไปสร้างใจที่ไม่ใช่ปกติขึ้นมากรรมฐานที่เราฝึกนะอย่างเราฝึก รู้ทันจิตใจเนี่ยต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วความรู้สึกเกิดเราค่อยรู้เอางั้นเราใช้จิตที่เป็นจิตที่เป็นกามาวาจรกุศลนะไม่ใช่จิตาาจรูปาวาจรอรูปาวจรไม่ใช่จิตพรมะเพรางั้นถ้าจะดูจิตดูใจแล้วเราไปทําจิตให้เป็นพรมซะก่อนอย่างนี้เนี่ยเราไปดูอะไรอะ่ะไม่มีอะไรให้ดูนะยกเว้นชำนาญ ในการดูจิตจริงๆนะจะเห็นองค์ฌานเกิดดับนะ้องกลับมาอยู่ในโลกนี้ให้ได้โลกของคนธรรมดาเอาอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยคนธรรมดามันเป็นอย่างเนี้ยใช่ไหมส่วนไอ้คนหลงนะคนผิดธรรมดานะคนหลงหลงนะคนผิดธรรมดางั่นคนทั้งโลกนะั้นมันผิดธรรมดาเราเป็นคนธรรมดาแต่คนส่วนใหญ่มันผิดธรรมดามันว่าเราผิดปกติ เนี่ยใช้จิตอย่างนี้เห็นร่างกายหายใจใช้จิตอย่างนี้เห็นอย่างนี้ผิดอีกแล้วรู้สึกไหมไปรวบเข้ามาแล้วมันจะอึดอัดนะจะแน่นแน่นทื่อๆลืมปฏิบัติซิยังไม่หลุดทีเดียวดูออกแล้วใช่ไหมใช้ได้อผ่านขอาปคุณอะไร ม, มายิ่งกว่าต้อนลิงหิงทำน้มาสการครับรู้จักแล้วใช่ไหมว่ามันไม่หลุดออกมาเออ จิตอี่ยงนี้มันจิตเป็นล็อกอยู่เอาจิตล็อกๆ อ, อย่างเนี้ยไปทำกรรมฐานเหนื่อยตายเลยแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ทำก็ตอนแรกก็จะถามว่าผมพัฒนาขึ้นไหมอย่างี้พัฒนาหลวงพ่อก็ตอบว่าพัฒนาขึ้นเนี่ยออพัฒนาทุกคนเลยนะตั้งแต่หัวแถวยันหางแถวอะดีขึ้นทั้งนั้นเลยผมมีอะไรที่มันติดขัดไหมครับสํารวจตัวเองสิสีเราดียัง มีข้อสี่อะครับมันจะตรงไหนอย่างคล่องอยู่ก็ตัวอนะอวันก่อนหลวงพ่อไปเทศต่างจังหวัดใต้นี้ลงไปเทศแล้วมีคนรู้จักกันมาถามหลังหลังอยากสอนหลังอยากเทศมาถามกรรมฐานหลายคนเลยคนนี้ถามว่าจะปฏิบัติไงจิตหลวงพ่อก็ตอบพวกเลยทําำงี้งี้คนนี้ทำไงจิตก็ตอบปุ๊บปพอมาถึงคนนี้นะถามผมจะปฏิบัติไงจิตมันไม่ยอมบอกอ่ะ มันเฉยให้ธรรมะทำไมไม่ปลูกขึ้นมาไม่รู้เลยว่าจะสอนอะไรเขานะเลยถามเขากินเหล้าเปล่าเขาตอบว่าจะเลิกตั้งแต่วันนี้แล้วครับตรงนี้นะคือศีลสำคัญนะไม่งั้นเนี่ยธรรมะไม่เจริญหรอกต้องมีศีลนี่คารว่านเนี่ยศีลมันจะพล้องง่ายข้อสีจะพล้องปกติ แต่ว่านานไปก็ให้มันดีขึ้นดีขึ้นก็แล้วกันแล้วทุกวันเนี่ยฝึกสมาธิบ้างไหมฝึกครับผมเดินจงกรมวันละประมาณหนึ่ ง, งช่วงเพียมนะฮะ เ, ออดเดินจงกรมแล้วก็นั่งนะฮะนั่งสมาธิแต่ว่านั่งเนี่ยมันจะชอบแบบซึมมาครับอืผ <ม S 1> หายใจ<ะ>ลอง ท, ทําที่ทำที่นั่ ง, งสมาธิเอาไม้ลงก่อนอให้เหมือนจริงๆ เนี่ยอย่างนี้ซึมแน่นอนมันเริ่มต้นมันก็ทําใจให้ซึมแล้วล่ะอย่างนี้ก็ซึมเลยนะต้องให้ใจมันตื่นนะให้ใจมันตื่นขึ้นมาก่อนหายใจแรงๆหาใจแล้วรู้สึกตัวมันยังไม่รู้สึกขยับมันเข้ายเนีๆๆ่ยให้มันตื่นขึ้นมานะแล้วก็ ท, ทําสมาธินะใช้ใจที่ธรรมชาติธรรมดาอย่าน้อมใจ พเราเวลาทำสมาธิเนี่ยเริ่มต้นจะผิดแทบทุกคนเลยคือเริ่มต้นเนี่ยจะเข้าไปดัดแปลงจิตให้มันสงบเราคิดว่าสมาธิทำแล้วต้องสงบเพราะงั้นเริ่มต้นก็จะทำให้มันสงบเลยจะแบบเอารัดรัดเนะ่เอาทางรัดใช่ไมเริ่มต้นก็พอนั่งได้ที่ก็ต้องทำใจให้สงบมันไม่ใช่สงบอย่างนี้เรียกใจเฉยเมยนะแต่สงบเนี่ยหัวล้ออยู่อย่างสงบเลยนะ มันไม่ใช่ใจต้องเฉยเฉยเราเรียกว่าสงบนะเนียรู้สึกตัวสบายสบายนะแล้วก็เอออย่างนี้ไม่สบายอย่างนี้ท้อแท้นะดูออกไหมเออใจมันท้อแท้บูกขึ้นมาเฉยเฉยเลยบอกให้สบายสบายทำตัวสบายสบายเครียดไปเครียดไป อย่าปฏิบัติไม่ปฏิบัตินั่งสมาธิมันก็แค่นั่งเห็นร่างกายหายใจไปทั้ไม่ต้องปฏิบัติอะไรหรอกใจถึงๆหน่อยนะเขาเรียกว่าจะจับแต่กแกล้งปล่อยเนี่ยรู้สึกไหมใจตึงขึ้นนะถ้าใจตึงอย่างนี้ยังไม่ง่วงนะแต่ถ้าทำเบลือๆเครื่มๆไปนะนั่งคั้งเดียวก็จะหลับเนี่ ย, ยทำอย่างเนี้ยทาอย่างเนี้ยใจเริ่มอ้อยส้อยอ้อยหิงลงไปเรื่อย ใช่ปล่อยมันดรอปลงไปมันจหมดแรงลงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยว้สุดก็ฟุบเดีย๋ยวจะออกมาก็เป็นอย่างนี้สิเราถูกเล้าอย่างนี้อย่าให้มันดรอปลงไปงั้นถ้ามันจะดรอปก็หายใจแดงๆอย่างมีความสุขอย่าลืมคำว่าความสุขนะเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะต้องมีความสุขเนีย่ยใจถลำลงไปแล้วรู้สึกไหมนะให้รู้ทันไป การทำสมาธินะบางทีเรียกว่าจิตตสิขานะเรียนรู้เรื่องจิตเรียนรู้ทันจิตจิตไหลไปรู้ว่าไหลแล้วเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยไหลไปอีกแล้วรู้ไหมเออต้องอย่างนี้นะหายใจไปแล้วจิตไหลแล้วรู้อย่าหายใจแล้วน้อมใจให้ซึมนะมันเคยตัวเออเราก็รู้ว่าจะไหลลงไปพอรู้ว่าจะไหลไม่ยกขึ้นมาอนะเองนะอย่าไปฝืนนะพาจะไหลแลปื๊บๆมากๆแล้วเหนื่อย ถ้ามันไม่ไหวจริงๆปล่อยเขาลงไปแล้วก็ลงไปแล้วให้เขาพักจริงๆนะไม่ใช่ลงไปแล้วไปสายอยู่ข้างล่างนะพอลงแล้วพักเนี่ยขึ้นมาเนี่ยสดชื่นมาดูต่อบางทีมันจะลงผมจะไม่ให้มันลงนะผมกลัวว่าตอนเริ่มต้นอ่ะอย่าให้โมหามเข้ามารู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปเนี่ยเวลาที่จิตรวมนะมันจะรวมลงไปอย่าฝืนแต่ว่ารวมลงไปเนี่ยไม่ขาดสติเลย นะมีสติตลอดสายเลยรวมลงไปจนกระทั่ทงโลกนี้หายไปแนละ้วร่างกายหายไปนะเลยเหลือจิตดวงเดียวเด่นดวงอยู่ไม่ขาดสติเลยยิ่งสติสำคัญนะค่อยๆฝึกไปอย่าไปทำลายสติด้วยการน้อมใจให้ซึมอย่าไปพยายามทำความสงบนะนั่งเห็นร่างกายมันหายใจไปถ้ามันจะรวมก็ให้มันรวมไปแต่ไม่ใช่ปล่อยใจให้เคลิ้ม แต่เวลาใจจะรวมถ้าแหลกแรกไม่ชํานาญนะเหมือนหล่นวุ๊ปลงไปเลยนะเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่ตื่นๆอย่างนี้เนละมันก็รวมของมันเองอย่างนี้ใจไหลไปแล้วรู้สึกมไหมเอออย่างนี้ใช้ได้ไปทำมั้งคือเมื่อคราวที่แล้วนะคะหลวงพ่อบอกว่าให้โยมไปดูว่ามีตัวเองไหมคือหลังจากที่ส่งอารมณ์ไปแล้วเนี่ย เราหลวงพ่อบอกว่าเวลาดูก็ให้แอบแอบดูแล้วโยมก็พยายามแอบดู ก, ก็ก็ไม่เห็นไม่เห็นก็ก็ทําอยู่แล้วก็ไม่ทําบ้างทําบ้างไม่ทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อไม่กี่วันมันเนี้ยโยมนั่งดูทีวีแล้วก็กําลังดูดูทีวีสติเขาว่ากลับมาที่ใจพอกลับ ม, มาที่ใจโยมก็เออเข้ามาดูนะฮะดูก็เลยเห็นพอสักประเดี๋ยวนึงมีตัวอยากดูทีวี โยมก็ไปดูว่าเออไอ้ตันหามันทานํางานยังไงเนี่ยมันอยากมันอยากอ ย, ากอย่างเงี้ยกําลังนั่งดูนั่งดูอยู่อืแวบหนึ่งมันเหมือนเหลือไปเห็นอะอะไรก็ไม่ทราบเหมือนเป็นหมอกบา ง, บางๆคลุมอยู่ท้างล่างเนี่ยค่ะแล้วก็รู้สึกเออเนี่ยมีอยู่ตัวเองมีตัวเองอยู่อย่างนี้เองอย่างเงี้ยมันอ ย, อยู่น ะ, ะมันยังไม่ได้โสตา<ะ>แต่ว่ารอบนี้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลย รอบนี้จิตมันเดินปัญญาแล้วอย<ต>่นี้แหละเรียกว่าเจริญปัญญา ท, ที่เท่าก่อนนะนึกว่าได้โสดานะที่มันไม่ใช่หรอกเ <laughs> พราะว่าเพราะว่ า, วาคือเห็นว่ามันทํางานของมันเองอะไร<ม>ตอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่พ อ, อค่ะมันมีเงาแห่งความเป็นตัวเป็นตนเชื่อแฝงอยู่เห็นแล้วเนาะเห็นแล้วดีแล้วลาโมทนาไม่ไม่ง่ายนะที่จะเห็นนะคือ โยมก็คิดว่าโยมเอ๊ะเห็นจริงหรือเปล่าอืมันเหมือนมีบอกเหมากเหมอกเนี่ยคลุมอยู่ท้างล่างอย่างเงี้ยมันมีความเป็นเราซ่อนอยู่นะมันแฝงอยู่มันไม่ออกมาชัดๆเหมือนแต่ก่อนมันเหมือนเป็นเงาเคลือบแฝงอยู่ในใจเราแล้วยังเป็นเราอยู่ยังเป็นเราอยู่ต้องแอบแอบดูนะถึงเห็นนะจงใจดูมันหนีไปหมดเลยคอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูอ่ะอยู่ๆเขาต้นั่นแหละไม่ได้จงใจนะ สติมันย้อนมาเห็นเข้าใจมันตั้งมั่นขึ้นมานะปัญญามันก็เกิดก็เห็น<ม>ตรงตามความเป็นจริงขึ้นมาคราวนี้ภาวนาดีรู้สึกไหมใจมันเคลื่อนไหวหเปลีป่ยนแปลงได้เองนั่นแหละเรียกว่าจเจริญปัญญาทำไปอีกคืออย่ารอบนะรบแล้วอยากจะเรียนหลวงพ่อค่ะเมื่อสักคือสมัยก่อนนะั้นอะโยมก็ดูใจดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยอยู่ จะดูอยู่ระหว่างทรงอกอยู่ตรงอกตรงแถวเลียนปี่ทีนี้ก็ดูก็ก็มาได้ดีอยู่เรื่อยๆทีนี้ก็พอหลังจากที่นั้นเมื่อไม่กี่ปีมานเนี่ยก็มีความสงสัยมาว่าเอ๊ะหลวงพ่อท่านก็ตั้งลมหายใจที่ตรงจมูกแล้วก็หลายหลายองค์ก็อยู่ตรงจมูกแต่เราทำไมทาไม่ได้อยู่แต่ตรงเลิ้นปีก็ไปถามพระที่เคยไปเข้าวัดท่านบอกว่าไม่ถูก โยมก็เอ๊ะเราจะทำไงดีอ่ะพอไปตั้งจมูกเดี๋ยวมันก็มาอยู่ที่ใจในนี้โยมลูกเขาไปเจอเพื่อนบวชมักเก้าปีเขาบอกเาดูลมหายใจแถวยินปีแล้วก็โยมก็ดีใจแล้วก็มีเราไม่ไม่นานโยมก็ไปอ่านหนังสือหลวงลวงตามหาบัวท่านบอกว่าในการทำอาณาปานสติเนี่ยแรกคือให้ดูที่จมูกก่อน แล้วก็ค่อยๆทําจนชํานาญค่อยๆเลื่อนเลื่อนลงมาอยู่แถวลิ้นปีแล้วก็ตอนเนี้ยถ้าเปิดทําก็เมื่อเคยชินแล้วมันก็อยู่แถวลิ้นปีกลงโยมก็เลยโล่งใจลงมาลิ้นปีแล้วนะเพื่อจะมาดูเกิดดับจะมาเห็นความรู้สึกเกิดดับอยู่กลางหนะ<ะ>น้าอกนะเนี่ยถ้าเราเห็นความเกิดดับได้เราก็ดูเกิดดับไปแต่เวลาต้องการสงบจริงๆนะมันจะตื้นตื้นตื้นขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่ไไปอยู่ที่หน้านะที่ที่จะมูกแหละกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาถ้าถ้าเป็นสมถนะนั้นเนี่ยขึ้นมาข้างบนสงบสว่างแล้วร่างกายก็หายไปแต่เวลาที่จะเดินปัญญาเนะี่ยเราจะเห็นสุขทุกข์ดีชั่วนะมันหมุนอยู่กลางหน้าอกนี้บางทีหัดใหม่ๆเห็นมันฝุดผุ ด, ดนะแต่มาบางทีบางคนก็เห็นอีกมุมหนึ่งแทนที่เห็นว่ามันฝุดผุดขึ้นมาเห็นว่ามันหมุนโอ้บัตตามันหมุนอยู่กลางอกนี่เองะ เหตุนั้นเราจเจริญปัญญาอยู่นี้พอจเจริญปัญญาไปช่วงหนึ่งจิตมันเหนื่อยเนี่ยก็กลับมาจับลมหายใจใหม่ไม่ดูกลางอกแล้วอันนั้นทำสมถะเท่า น, นันก็สว่างว่างสบายอยู่พอมีเรี่ยวมีแรงก็กลับไปดูใหม่ก็ทําทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานะพลิกไปพลิกมาอย่างนั้นเรามีอยู่อันคือโยมเนี่ยกดอยู่ข้างในถูกจนชินใช่แล้วก็มันมีความรู้สึก พอฟังทำหลวงพ่อบอกว่าอากรดก็ให้รู้พอลมโยมดูลมหายใจพอมัไปถึงกดนั้นโยมก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็รู้อืแต่ก็ไม่หายแต่ที่หลังจากนั้นไอ้หลังจากที่โยมดีใจว่าโยมดูไม่ผิดหลังจากนั้นไม่นานโยมตื่นขึ้นมาเนี่ยก้อนดําๆที่มันอยู่ที่หน้าอกอ่มันหลุดหายไปโดยไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ามาอีกแล้วเป็นไง <laughs> มันไปได้มันก็มาได้เราเข้าหันใหม่ๆนะหะดูจิตนะั้นพอมาเห็นไอ้เนี่ไม่ชอบเลยนะหาทางทําลายมันนะบาทีเพ่งเพ่งใส่มันระเบิดเปรี่ยงเลยนะโอ้ยไม่มีแล้วโล่งว่างเลยแตเดี๋ยวกลับมาใหม่อีกวันหนึ่งใหม่อีกแล้วคราวนี้เพ่งใหม่เพ่งไงก็ไม่แตกนะเพ่งไม่แตกทาําไงดีว่าเฉือนมันดีกว่าค่อยๆเฉาะมันเฉาะๆนะถากถากถากไปสุดท้ายโอ้หายไปหมดแนละ้วอีกวันหนึ่งมาแนละ้วเฉาะไม่เข้า ชอเราเด้งดึงดึงดึงนะ <laughs> กำหนดจิตแรมเป็นเข็มเลยนะจิ้มจิ้มจิ้ ม, มแล้วมันก็แฉลัปไปแฉลัปมากะมุมให้พอดีเลยจิ้มโปะแตกเลย <laughs> อีกวันหนึ่งจิ้มไงก็ไม่แตกเนี่ยวุ่นวายอยู่คนมานานเลยนะ <laughs> เสียเวลามากเลยที่แท้ไปหลงแก้อาการของจิตไม่แก้นะ <laughs> ถ้าเราเห็นในตัวนี้นะจนเห็นวั ต, ตะหมุนอยู่ในใจเราหรือว่าฝุดๆุดอยู่ในใจแล้วเนี่ยต่อไปเราจะเห็นทุก เราจะรู้เลยว่าความทุกข์เนี่ยเกิดตลอดเวลาในโลกนี้ยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วใจมันจะคลายออกจากโลกหลวงตาท่านหนึ่งบอกถ้าภาวนา ม, มาเห็นตัวนี้นะถ้าเป็นพระเนี่ยท่านไล่เข้าป่าได้มั้ยท่านไล่เข้าป่าแต่พวกเราไล่เข้าป่าไม่ได้หลงป่าตายเลยระดับ <laughs> ต่อไปนี้ก็ขอโอกาส ท่านทุกท่านนะครับที่มาอยู่ที่นะที่นี้แล้วเราพร้อมใจกันขอขมากรรมต่อหลวงพ่อประโมทรพระมโชกันเลยนะครับเนื่องด้วยนะครับเราทุกท่านอาจจะพลังเผลอไปด้วยพระพรา พ, พลังนะครับเหลอไปก็ดีนะครับ ด, ด้วยกวารวาราใจที่เราได้กระทำนะครับต่อหน้าก็ดีรับหนังก็ดีทั้งอดีตและก็ปัจจุบันเดี๋ยวพวกเรานะครับน้อมหมอบลงนะครับาขมามิ เอวังโหตูเอวังโหตูโยจะปุเพปมัชิตวาปัชชาโสนปปัมมัชติโซมังโลกังปภาเสติอภาโมตโตวจันติมายัสสะปาปังกตังกัมมังกูสเลนะปิยติโซมังโลกังปภาเสติอภาโมตโตวจันติมาอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุทฒาปจายโนจัตตารุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขขังพระลังสาธุพันเต